จเจริญธรรม ท, ทุกคนวันนี้วันพุทธวันพุทธที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้เท่าไหร่ขึ้นสิบคำแล้วขึ้นสิบคำเดือนสิบแล้ว วันนี้ก็จะเรียนเรื่องของพุทธชีวศิลป์กั น, นเราได้เอาพระไตรบินดกเล่มสิบหกที่ท่านตรัสเรื่องของปฏิจสมุปบาทเอาไว้อย่างดีมากเลยอาตมาก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาไ ม, ไม่ยังไม่มากบท นะแต่ว่ามันยายไปยาวแล้วกินความในบทต่างๆที่ล้าหน้าไปหลายบทและเอามาซ่อนอธิบายซ้อนๆๆอ น, อ น, อนไปในทีนะซึ่งก็จะได้เข้าใจทุกอย่างมันจะเป็นปฏิสัมพัสธ์กันแบบนี้แหละธรรมอาบุตรจาร้อยเป็นมาลายกันทั่วไปหมดบทไหนบทไหนบทไหนถ้าอธิบายถึงได้คนที่เข้าใจถึงกันหมดถึงกันหมดเขายืนยัน แต่ว่าผู้ที่ไม่เข้าใจก็งงเท่านั้นเองเพราะว่าไปเข้าใจแต่บัญญัติภาษาแต่ถ้าเข้าใจถึงสภาวะที่มันเกี่ยวเนื่องกันตรงนั้นตรงนี้แล้วและผู้ที่รู้จักตัวเชื่อมต่อที่จะอธิบายกันแล้วลราก็จะเชื่อมกันได้อย่างนั้นทั้งหมดเลยนะอย่างวันนี้มีผู้อยากจะให้อัตมาบรรยาย ถึงเรื่องอาหารสอาหารสี่นี่อยู่ในเล่มนี้แหละเล่มสิบหนี่แหละข้อ240ร้สี่สน่าอยู่ข้อ240ร้่นเรื่องปุตตะมังสะสูตราอาหารสี่ที่จริงท่านเกินละอาหารสีท่านก็เกินก่อนอันนี้ก็มีละก่อนแต่ว่าท่านจะขยายความละเอียดละอ อ, อยู่ในข้อ240สบ อัตมาเคยเอามาบรรยายเคยมาพูดอะไรอะไรแล้ววันนี้ก็จะนำอันนี้มาขยายความดูคุณพิมพ์เพชรรุ่งฟังแล้วก็จากจะได้ไปเป็นประโยชน์อีกซนะาบซึ้งใจในเรื่องของธรรมะต่างๆตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องสุขภาพอยู่ก็เลยเห็นว่าเออบทนี้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร น่าจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพจริงเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะเกี่ยวข้องทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเลยทีเดียวนะอาตมาได้บรรยายมาถึงข้อ26แค่นั้นนะบรรยายมาถึงยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่พุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาอ้างอิงไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ ก, กรไม่ว่าจะองค์ไหนก็นแล้วแต่ท่านยกมาตั้งแต่พระวัดวีปรศรีพระวีปัรศรีพระสิกขีต่างๆองค์ทุกองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเวสสภูพระบุสันธะพระโกนาคม น, นะพระกัตสปะ ต่างๆพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แลก็พระจนถึงพระสัคยมุนีโคตธมะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ทุกพระองค์เอเป็นยังไงเริ่มต้นก็ ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาแลา้วท่านจะเน้นจุดสำคัญจุดสำคัญก็คือโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจอย่างทองแท้อย่างแยบคายการทำไว้ในใจหรือการจัดการกับจิตของเรานี่แหละการจัดการกับจิตของเรา ผู้ได้จัดการกับจิตของตนเองเป็นทำถูกต้องอตั้งแต่เริ่มต้นอยมพทุทธิปกักขีธรรมามสิบเจเนี่ยตั้งแต่รู้องค์ประชุมองค์ประกอบของสังขารต่างๆที่ปรุงเข้าไปที่ในใจปรตากระทบรูปมันก็เกิดสังขารละหูกระทบเสียงก็เกิดสังขารละเกิดวิญญาณนี่แหละแล้ววิญญาณนั้นมันปรุงแต่งทุบเลย เรียกว่าสังขารจะแยกไปเป็นกายสังขารจิตสังขารวิจิตสังขา ร, าารอะไรก็ว่าไปแยกย่อยไปอีกเกิดการจัดการมันมันรวมกันปรุงแต่งกันบวกรบคูนหารกันปึ๊บเลยด้วยบทบาทในจิตมีนาณาสารพัดของจิตเจตสิกต่างๆทางกุศลจิตอกุศลจิตในตัวการตัวสําคัญจากแล้วก็ได้ผลออกมา แต้ผลมามันเป็นวิจีสังขารแล้วมันก็ออกมาสั่งการทั้งหมดเลยจิตนี่จะรวมตัวกันสังเคราะห์กันในจิตมณสิการเสร็จมันจะออกมาเป็นสังขารเรียกมันว่าตัวปลายนี่ที่มันจะพาให้เกิดเนี่ยนมันก็คือองค์รวมของจิตสังขารรวมมาถ้าเผื่อว่าผู้ใดปฏิบัติดี ปฏิบัติได้ปฏิบัติถูกจะจัดการกับจิตได้ได้ว่ามาณสิกการเป็นทําจิตในจิตทําโยนิโสมมณสิ ก, การได้บริบูรณ์ได้ถูกต้องผู้นั้นแหละคือผู้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งสามารถที่จะจัดการกับจิตกําจัดกิเลสออกไปได้หมดนะเพราะจิตที่เมื่อผู้ใดจัดการเป็นแล้ว ลงท้ายมันจะเป็นวจีสังขารซึ่งในสังกปะเจตเราได้เรียนกันมาแล้วนั่นแหละกระบวนการของการจัดการจิตจริงๆก็คือสังกปะเจตตั ก, กะวิตกะสังกปะอัปนาปยาปนาเจตโสภินิโรปนานั่นแหละเราจะเรียกว่าธรำฌานเราจะเรียกว่าธรรมสมาธิใช่ทั้งนั้น การทำฌานารทำสมาธิคือทำอาการของเจ็ดลักษณะนี่แหละตักกาบิตกะสังกปะอปปนาพยาปปนาเจตโสพิเิโรปนาวจีสังขารระบุชัดว่าวจีสังขารในนั้นไม่มีคำว่าจิตสังขารไม่มีคำว่ากายสังขารมีคำว่าวจีสังขารเป็นสังขารที่เป็นภาษาคำพูด วจีที่มันบอกที่มันจะออกมาเป็นพยัตบัญญัติพอมันปรุงเสร็จมันจะมาเป็นบัญญัติแล้วสั่งออกมาบัญญัติที่ว่านี่เป็นภาษาก็ได้ไม่เป็นภาษาก็ได้บัญญัติที่ว่าวจีสังขารไม่เป็นภาษาไม่เป็นคำพูดก็ได้แต่มันคือองค์รวมมันคือองค์รวมของการสาเร็จ สำเร็จในการทําใจสำเร็จในการจัดการใจของเราจิตของเราเสร็จเรียบร้อยถ้าเผื่อว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมคนอวิชชามันจัดการเกินเองปุ๊บเปล่มันสังขารปรุงแต่งกปุ๊บปุ๊ ط, ป ط, ป ط, ป ط, ป ط, คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดการให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้หรอกว่าจีสังขารนี่คุณเจตนาใช่ไหมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นนะให้เป็น มันไม่เป็นตามที่คุณต้องการแต่มันก็เป็นวจีสังขารเหมือนกันนะแต่มันเป็นวจีสังขารที่มาอยู่ในอำนาจการจัดการมันเป็นวจีสังขารที่กิเลสมันจัดการแล้วมันจัดการในคุณไม่มีรู้คุณอวิชชาตลอดคุณไม่รู้เรื่องกิเลมันเป็นเจ้าเรือนมันจัดการหมดเลยนะมันจัดการหมด มันก็ออกมาโดยคุณก็มีสํานึกเท่านั้นเองมีสามัญสํานึกบ้างอะไรที่น่าอายอะไรที่ยังไม่ควรจะออกก็บังคับกันๆไว้บ้างแต่ถ้าเผื่อบังคับไม่ได้มันก็ออกมาหรือมันอยากจะให้มันออกโดยกิเล่มันเต็มที่ไม่รู้เรื่องหรอกอภิชามันก็ออกมาเลยเต็มเนียว ปรุงเป็นกายกรรมวจิกรรมอะไรออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆข้างนอกหมดเลยซึ่งก็มาจากใจมโนภ พ, พังก็มาทรมามาจากใจมาจากมาโน ม, มาจากจิตนี่แหละเป็นประธานมาจากจิตใจเป็นประธานเพราะฉะนั้นเราพระพุทธเจ้าท่านสรุปลงไปว่าเครื่องอาศัยเรียกว่าอาหารเนี่ยนะก็เกิดจากการเรียนรู้แล้วก็เกิดจาก ความรู้ยอดเยี่ยมที่ตัดสรนใของพระเจ้าทุกพระองค์จึงรู้ว่าต้นต่อที่จะทำเนี่ยจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณคือวิญญาณจิตก็คือวิญญาณท่านเรียกรวมว่าวิญญาณอยู่ในข้อที่สี่ของอาหารข้อที่สี่ของอาหารอาหารสี่ก็มีอาหารคำว่าอาหาระเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคําข้าวที่กินเข้าไปอย่างเดียว มันเป็นข้อหนึ่งเท่านั้นในสอาหารข้อหนึ่งกบลิงกระาหารก็คือสิ่งที่กินก็ไปเลี้ยงร่างร่างกายอาศัยร่างกายในเป็นสิ่งอาศัยของธรรมดาของคนแหละอาหารก็เป็นเพียงหนึ่งในสอาหารอื่นอีผัดส ะ, ะกบาลิงกราหารผัดสาาหาร มโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารอาหารทั้งสี่อย่างพลังเครื่องอาศัยทั้งสี่อย่างนี่แหละเป็นตัวที่จะต้องรู้ในเครื่องอาศัยของชีวิตแล้วเราก็จะจัดการจมณสิการมณสิกโรติจะจัดการกับเรื่องจิตมณสิการหรือมณสิกโรตินี่เราจะจัดการได้เพราะเราอาศัย แล้วก็มีหลักหลักวิธีที่พระุทธเจ้าท่านตัดไปเนี่ยขยายความไปหน่อยหนึ่งกวลิงกราหานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดไปว่ายังไงพระพุทธเจ้าท่านตัดว่ากวาิงกราหานนั้น อ, อย่าบ้างละเอียดบ้างภัษาอาหารมโนสเจตนาอ า, า, าหารวิญญาณอาหารอาหารทั้งสี่กวริงกราอาหารนั้นคือผู้ที่กำหนดรู้ผู้ที่กำหนดรู้อาหารหรือกวริงกะราเนี่ยอาหารที่ชื่อว่าอาหารคือกวริงกา ร, การะเนี่ย คือคําข้าวหรืออาหารที่เคี้ยวกินกลืนเข้าไปในคันร่างกายเนี่ยผู้ที่กําหนดรู้แล้วจะยินดีเกิดแต่เป็นจาักกรรมคุณกินอาหารเนี่ยวันทุกวันนี้ทั้งโลกอะกินอาหารนี่จะให้อร่อยจะให้มันก็น่า ก, กินอะไรทั้งนั้นะ นะแล้วก็จะเต็มไปด้วยเบญจา ก, กามคุณคือกามคุณห้าเพราะงั้นเมื่ออริยาสาวกกำหนดความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจา ก, กามคุณได้แล้วพริษัทเรียนรู้กามคุณห้าจอาหารนี่แหละสังโยช น, นเกิดนะสังโยช น, นเป็นเครื่องชักนำอริยาสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีถ้าสามารถเรียนรู้พวกนี้ กำหนดรู้พวกนี้แล้วท่านตรัสรวมไว้เลยว่าสังโยชน์สังโยชน์คือการผูกสัตว์ไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเองคุณไม่ได้เรียนคุณก็เป็นสัตว์ในโลกกินอาหารก็ถูกผูกไว้ด้วยตันหาตันหาก็คือนา่ลองไล่อาหารสี่ก่อนสรุป อาหาร4ีท่านได้เรียนรู้กามาคุณห้าอย่างที่พูดไปเนี่ยส่วนผัสสอาหารท่านได้เรียนรู้เรื่องเวทนาสามเวทนาสามอารมณ์เวทนาหรือความรู้สึกสามผัสาะสามผัตษาจะรู้จากเวทนาสามมโนสัจเจตนาจะรู้จากตัณหาสามกามาตัณหาภาวะตัณหา วิปวตัญหาจะต้องกําหนดรู้สามอย่างไม่ให้ได้จะต้องเรียนรู้สามอย่างให้ได้และมีรายละเอียดต่อไปเด็กขยายความรายละเอียดต่อไปส่วนวิญญาณอาหารนั้นต้องรู้นามรูปวิญญาณอาหารเนื้อรู้นามรูป น, นี่คือหลักใหญ่นีน่คือหลักใหญ่ ตมาจะไม่เอารายละเอียดที่พระเจ้าท่านตรัสอย่างละเอียดสืบอ่านท่านเคยอ่านเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วทราบซึ้งสนุกท่านเล่าเป็นผูกเป็นเรื่องเป็นนิทานเป็นเรื่องเลยเปรียบประดุดดังงอนอย่างนี้ปุตตะมังสะนี่ก็คือเนื้อเนื้ อ, เ น, อเนื้อบุตรเนื้อของบุตรอย่างสูตรแรกอาหารที่กินเข้าไปในตัวเองเนี่ย เทียบก็บพ่อแม่กินเนื้อของบุตรเอาเนื้อขอ้าวบดมาเป็นอาหารเลยนะอัตมาจะไม่เอารายละเอียดพวกนั้นมาเล่าออ ก, ก่อนนะจะพูดถึงสาระพูดถึงความรู้ของมันเลยมันเป็นโทษยังไงเป็นภัยยังไงเป็นพิษยังไงและมันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์ยังไงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาตรงนี้ก่อนนะ คำว่าอาหารเครื่องอาศัยเราต้องอาศัยทั้ง4นี่แหละสําคัญต้องเรียนรู้อาหารทั้งสีเนี่ยแล้วก็จะต้องกําหนดรู้อาหารในอุปาทายรูปก็มีอาหารรูปมีอาหารรูปในอุปาทายรูปหยิบสี่ เราก็จะต้องเรียนรู้รูปนี้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้เพราะยัเครื่องอาศัยก็จะต้องมีญาณมีปัญญาอย่างรู้ในเครื่องอาศัยว่าเครื่องอาศัยต่างๆเนี่ยตั้งแต่กินอาหารเข้าไปผัดสะปุ๊บมันจะเกิดเวทนาปับ๊บเวทนาสาม เมื่อกี้อธิบายไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านสรุปแล้วต้องเรียนรู้ต้องกาหนดรู้เวทนาสามแล้วก็ในเวทนานั้นนะมีตัณหา ต, ตัวแรกเลยก็คือกามเมื่อกี้ขึ้นต้นอาหารให้รู้กา ม, มาคุณหา่าให้รู้กา ม, มาคุณหา้าเพราะผัสสะมันก็จะเกิดสุข ทุกเวทนาสุขทุกไม่สุขไม่ทุก์เวทนาสามแล้วมันก็จะมีตัวเหตุในเวทนานี่คือตัณหามโนสัญเจตนามโนสัจเจตนาฐารเครื่องอาศัยที่เป็นเจตนานี่แหละเจตนาของจิตที่มันกําหนดกําหนดด้วยอวิชชาสัญญาสัญญากําหนดด้วยอวิชชามันก็เจตนา เอาอร่อยให้เป็นกามตัณหาหรือจะเป็นอารมณ์ข้างในเพราะว่าตัหารูปารมณ์หรืออรูปารมณ์ก็แล้วแต่อารมณ์อย่างอย่างไในข้างในตามที่มันต้องการที่มันอยากมโนสัญเจตนาก็ต้องเรียนรูม้มกิเลสที่จริงทั้งขึ้นต้นด้กามตัณหานะเพราะเป็นกามผสมกามสมไคร มันจึงเป็นเวทนาสามสมใครมันก็เป็นสุขก็าเวทนามันไม่สมใครสมอยากมันก็เป็นทุกขเวทนาหรือบางทีมันเซ็งๆหรือมันอิ่มแล้วมันชักเฉยเฉยแล้วมันก็เฉยมันก็ไม่ชอบไม่ไม่ชอบแล้วกลางๆแล้วไม่ทุกขไม่สุขแล้วเวทนาสามตถาสาม อาจามาเคอธิบายให้ฟังแล้วว่าตัณหาสามนั่นคือตัณหามันมีความสำคัญอยู่ก็คือวิภาวะตัณหาความต้องการไม่มีพบอันนี้แหละมันเลือนมันเพี้ยนมาจนกระทั่งเขาเข้าใจว่าถ้ามีตัณหาจิตมีตัณหาแล้วมีจิตมุ่งตัณหาเนี่ยคือมันมุ่งปรารถนาอย่างในอย่างใดอยากอะไรอะไรก็แล้วแต่ไมกิเลสหมด ก็ตีความเงนินเลยทุกวันนี้มันก็เลยทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะเราจะทำใจให้มันไม่ต้องไม่เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากทำอยากอะไรแต่ไรเลยมันไม่มีกําลังของจิตจเรียนไม่มีพลังที่จะไปเรียนไปรูป้ไปกำหนดอะไรไปทำอะไรไม่มีความอุปสาหะวิยาอะไรมีแต่ทำให้ปล่อยเฉยทําจิตให้เข้าหาอุบเบกขาให้เข้าไม่ทุกข์ไม่สุข เรียนเรียนัดรัดไปหาจิตว่างๆจิตเปล่าๆกลางๆเขาก็ทำอย่างนี้กันเยอะเข้าใจผิดกันอย่างนี้เยอะซึ่งมันไม่ได้จัดการรู้เหตุมันยังไม่เป็นอริยสัจสี่มันไม่รู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์แล้วก็มีวิธีดับทุกข์ซึ่งไม่ใช่ง่ายๆวิธีทำไม่ง่ายถ้ารู้แล้วเราจะเห็นโ อ, โอ้มันไม่ง่ายอ น, นมันสันๆตืนๆรัดลัด ซึ่งก็ทํามาใครก็ทำก็เข้าใจไงมันไม่ยากอะไรไม่ซับซ้อนอะไรนี่รู้จิตของตัวเองว่ามันจะไม่กลางเอาแต่ตัวว่ามันเฉยๆกลางมีสติรู้แล้วก็วางเฉยกลางเฉยเฉยเฉยทำอย่างเนี้มันก็เป็นแค่สมถะเหมือนกันก็นั่งสมาธิทาจิตไม่จิตมันดิ้นไม่จิตมันไปอะไรจะให้มันเฉยกลางๆให้เฉยให้มันนิ่งๆว่างๆนั่งสมาธิหลับตาคอยระวังอันนั้นเรียกว่า ใจโตสมถ t แบบหลับตาแต่มีสติแล้วก็รู้อะไรนี่หลายสำนักมากเลยดังทั่วโลกก็มีหลายสำนักบางสำนักเนี่ยอย่างนี้ใจสติฝึกไปใจเย็นรู้เราเราคร่าวๆเราเราคร่าว ๆ, ๆ, ๆ, ๆแต่ว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความโกรธอาการานี้เป็นอาการความโลภสังวรระวังอย่าแสดงออกโดยเฉพาะโลภขอไปโดยเฉพาะ โ, โ, โกรธโทสะมันรู้ง่าย ด, ด, ดูวิญญาตของกายวิ ญ, ญัาตประจีวิญญา ต, ญญาตอาการที่เคลื่อนไหวนัตจาคีตวาธิตะองค์กายองค์ประชุมทั้งหมดข้างนอกลีลาก็มันรู้ง่ายอาการกโกรธมันรู้ง่ายที่จริงอาการราคะหรือโลภะมันก็รู้ง่ายแต่คนเพลินน่ะไม่อยากจะไปเอาใจใส่เพราะว่ามันจิตมันมีลึกๆว่ามันชอบ ชอบเด็กกันมันก็เลยไม่ต่ออะไรแต่ถ้าโกรธมันไม่กระชอกโกรธมันมันมันแรงมันรายก็เลยไม่กระชอกันก็เลยสะดุดง่ายรู้ง่ายพันมิธีขอ้พเจ้านะั่นให้เรียนรู้เครื่องอาศัยนี่อยู่ทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรอาศัยอย่างไรไม่รู้ในวิญญาณวิญญาณอาหารท่านกำหนดตัวนี้ตัวปลาคล้ายๆกับอริยสัจสี่ 4. อริยสัจ4ี่4 มัดองแปดหรืวิธีที่ปฏิบัติธรรมจริงๆอยู่ที่ข้อสี่อันนี้ก็ให้รู้จักนามนามรูปของวิญญาณของจิตอยู่ที่ข้อสีเพระาะนั้นผู้ที่จะเรียนรู้เรื่องกำหนดรู้อาหารแล้วก็จัดการกับเรื่องอาหารหรือเครื่องอาศัยนี่ซะให้มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบคุณก็จะรู้อาหารที่เอเอแต่สาระ แม้แต่จะเป็นอาหารที่กินเข้าไปเลี้ยงขันรูปขันเรียกว่าการบริก ร, กรอาหารสุขภาพของกายขันมันจะดีคุณก็จะกินที่เป็นสาระอาหารหรือว่าสิ่งที่มาให้กินสารพัดที่จะกินเข้าไปทางปากไม่ว่าจะเป็นขนมก็ต้มของกินเล่นกินหัวกินอะไรทั้งนั้นหรือว่าอาหารก็จะใส่ทั้งนั้นอาหาที่กินเรียกว่ากรารวริกรอาหารทั้งนั้นแหละ กินเข้าไปในปากแลวก็ถือเป็นอาหารที่จะเข้าไปให้ถาดมันมาเรียงขันคนที่กินในกินด้วยถูกหลอกหลอกได้กามกระบวนการอาหารทีงให้เรียนรู้ถึงกลา ม, มาคุณ้าหลอกได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปอย่างนี้เราถึ่จะตรงกับที่เราชอบ ตรงที่อุปทานยึดติดแล้วมันก็มีตัณหาแบบนี้อยากแบบเนี้รถอย่างเงี้ยกลิ่นอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยที่จริงเสียงไม่เคยชัดในอาหารคำข้าวเนี่ยเสียงในอาหารจริงๆมันไม่เคยชัดบางคนก็บอกมีเสียงเสียงกรอบไงเสียงกรอบเสียงไม่ไม่กรอบหรอกมันดังดัง อะไรชาติญี่ปุ่นหรือชาติอะไรอะญี่ปุ่นนะ่ะเขาจะต้องกินอาหารในเสียงดังนะฮะเวลาสดจีนหรือญี่ปุ่นอ่าต้องสดให้ถึงจะชื่อว่าอะไรถ้าไม่งั้นเนะี่ยยิ่งไปบ้านแขกเนี่ยนะแขกไปกินอาหารในบ้านเขานี่นะสดเสียงไม่ดังเนี่ยเา เจ้าบ้านเสียใจเลยบอกแม่เราเนี่ยอาหารไม่อร่อยให้เขาแขกเลี้ยงแขกเสียหมดไม่เสียงดังสู้หรืออะไรซีดอะไรเนี่ยไม่ได้เอาแต่ก็พยายามหาทางอธิบายมันมีเขาอะไรเขาไป <c oughs> แม้แต่ที่สุดอาหารมันไม่มีในตัวมันเองเสียงเสริมอะไรไม่มีนักนะ เอาดนตรีไปเอาเพลงไปเอาอะไรเข้ามาประกอบเข้าไปกินข้าวเคล้าเสียงเพลงนั่นแล้วก็จีพายเพิ่มเข้าไปอีกออนี่คือทุกทั้งมวลคือเรื่องปรุงแต่งคือเรื่องที่เอาวิชาคือเรื่องที่ไรสาระไม่รู้จักสาระเพราะฉะนั้นถ้าเราไปติดอยู่ในกามคุณห้าของอาหารคุณก็ ตกเป็นาธาตุของสิ่งไรสาระที่เขาปรุงแต่งมาต่างๆนานาดีไม่ดีก็เดี๋ยวนี้เป็นสารเคมีเป็นเสียงตินรถอะไรต่างๆเป็นเรื่องอบมลพิษสารพิษต่างๆปนก็ามาใน เ, เรื่องกินเนี่ยสุขภาพเอาเสียหมดร่างกายรับอาหารตรงนี้มา เนี่ยเป็นโรคสารพัดโรคจากอาหารนีนเยะเจ ะ, จะเพราะเราต้องเรียนรู้สัมผัสวิธีปฏิบัติธรรมพระพุทเจ้าเนี่ต้องเรียนรู้จากสัมผัสผัสอาหารเราต้องสัมผัสปฏิบัติธรรมต้องมีสัมผัสต้องมีผัสสะอาศัยผัสสะถ้าไม่มีผัสสะไม่ถือว่าการปฏิบัติธรมรมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการนั่งหลับตาสมาธิเข้าไปใน พะวงเข้าไปข้างในไม่มีผัสะตัดผัสะทั้งห้าหมดเลย<ม>จึงนอกคำสอนพระเจา้าแต่ปฏิบัติไหมปฏิบัตินั่งหลับตาสมาธิเข้าไปข้างในปฏิบัติเป็นอุปการะใช้เตวิชโชรู้ศึกษาจิตที่อัตมาเคยอธิบายไม่รู้กี่ทีแล้วหนึ่งนั่งสมาธิหลับตานั้นพักสงบดีนั่งพัก สุขวิหารธรรมอยู่สงบสบายสองเรียนรู้เรื่องภายในเรื่องจิตเพราะว่าเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่เอาความรับรู้มากำหนดรู้อะไรข้างนอกแล้วเราก็เรียนรู้ข้างในมันเป็นนามธรรมาเพราะมันจะเกิดยังไงมันจะฟุ้งซ่านยังไงมันจะหลีหลับยังไงมันจะหลีแฟุ้งไปออกไปทั้งอาการอย่างนี้เลยว่าอาการกลามอาการานี้เลยว่าพยาบาทอะไรก็เรียนรู้มัน มันก็จะเป็นอาการอย่างนั้นในจิตมันก็ตามกิเลส ท, ที่มันจะปรุงจะแต่งที่มันจะวิ่งไปหาและมันไม่ได้วิ่งไปไปไหนมันมันก็เป็นเพียงฟุ้งๆอยู่ในจิตเราก็อ่านมันสามเตวิชโชนั่งสมาธิคือตรวจตรวจสอบที่เราได้ผ่านอะไรมามีเรื่องมีราวมีเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยมีผลอะไร เราเรียนรู้แล้วก็จัตรงรู้ผลของจิตมันสังเคราะห์กันมันอ่ามันบวกลบคูณหารกันนะมันจัดการกันมันสังขารกันทั้งนั้นแหละมันสังขารกันอยู่ทั้งนั้นตลอดเวลามันไม่เกิดเหตุการณ์เมื่อใดก็นึกเอาเรื่องที่ผ่านมาในวันนี้ทานเอามาเรียนรู้ว่ามันมีเหตุอะไรบ้างมันมี นิทานอย่างไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างๆแล้วเราได้เรียนรู้ตามเราไปปฏิบัติทำไหมเราได้ปฏิบัติเมื่อผัดสะแล้วเกิดวิญญาณเกิดวิญญาณเห็นนามรูปแล้วพอเห็นนามรูปมันเกิดเวทนาเวทนาอาการอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ตามรู้มันเข้าไปจนกระทั่งมิตกวิจารรู้นะตักกะวิตกะสังกปะได้จัดการกับกิเลสได้หรือไม่กิเลสลดหรือไม่ได้ผลหรือไม่ ได้ผลชะงัดไม่ชะงัดแค่ไหนมีอินทรีย์แรงอินทรีย์เบาคุณก็ต้องรู้ความจริงต่อผลที่คุณได้ปฏิบัตินั้นนั้นนันั้ น, น, น, น, น, น, นเป็นการลงบัญชีเป็นการรู้ของจริงว่าเราได้ทําจริงวันวันหนึง่งหรือหลายวันก็ตามใจเถะดด้วยจะตรวจสอบบ่อยๆเสมอๆก็ยิ่งดีก็เป็นประโยชน์นั่งสมาธิอย่างนั้นส่วนที่มันจะเอาพลังจิต รวบรวมพลังจิตเป็นพลังแล้วก็ไปเล่นดึ๊กเด่นเดเล่นอะไรนั่นก็ไม่ใช่ทางของพุทธพุทธไม่เกี่ยวไม่เอามันเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าพุทธไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นอัตมก็อธิบายมาหมดละซ้ำซากมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เนะ่ยนั่งสมาธิหลับตาใช่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่วิธีแบบพุทธมันมีมาเต้นไหนแต่ไรพุทธสิ เอามาเรียบเรียงใช้ประโยชน์ให้เป็นไอ้ที่ไร้ประโยชนไไ์ไร้ที่จะไม่เกิดเป็นไปเพื่อะนานคลายเช่นจะไปทำฤทธเดนอะไรท่านโยนทิ้งเลยท่านบริภาศเลยด้วยซ้ำห้ามด้วยถึงแม้จะทำเป็นจะใช้ได้ก็ อ, อย่าทำปรับอาบัติอีกตั้งหากอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านตรัส เพราะงั้นเราต้องรู้ชัดเจนว่านั่งสมาธิหลับตานั้นไม่ใช่วิธีของพุทธแต่เป็นวิธีที่รู้กันทั่วแ ต, แต่ละเอียดในวิธีใช้อย่างที่อาตมาอธิบายไปนี้หรือไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษยังไงนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่พุทธรู้ไงเอามาอธิบายสู่ฟังไงแล้วเราก็ปฏิบัติสิให้มันเป็นประโยชน์ถ้าจะทา แต่วิธีปฏิบัติจริงๆเป็นแกนหลักเลยก็คือลืมตาปฏิบัติลืมตามีผัสสะเป็นปัจจัยปราศจากผัสสะแล้วไม่มีวิญญาณให้เรียนรู้ที่ท่านตรัสไปแต่ไม่รู้กี่สูตรตกี่สูตรเพราะงั้นเมื่อเราจะเรียนรู้เรื่องเครื่องอาศัยเรื่ออาหารเวลาปฏิบัติเราก็จะต้องเรียนรู้ปฏิบัติทำอย่างนี้ เราจึงจะกินอาหารหรือกวลินกราอาหารที่จะไปจัดการเรื่องสุขภาพกายส่วนภาสาอาหารที่จะรู้รายละเอียดของนามมาทำอีกทีหนึ่งจนกระทั่งสามารถรู้อารมณ์รู้เวทนาเวทนานี้เกิดจากตัณหาอะไรแล้วตัณหานั้น เป็นกามาตนาเป็นภาวัตนาก็เริ่มต้นแต่กามาตนะก่อนแล้วก็กําจัดกามเมื่อมันอาการนี้คือกามก็กําจัดวิธีกําจัดวิธีประหารก็อธิบายไปหมดพราะผมจะอธิบายไปจกนกว่าวิธีตรวจสอบวิธีทําให้มันถาวรให้มันเป็นอรหัตผลสูงสุดอธิบายไม่หมดอัตมาเขเอาไปอธิบายจนไม่รู้กี่เที่ยวกี่เที่ยวแล้ว มันก็จะเป็นสุขภาพใจก็จากอาหารหรือผัสสะมโนเจตนาอาหารเหมือนกันและสําคัญก็ต้องอ่านนามรูปเป็นเราจะรู้วิญญาณเราก็จะต้องอ่านนามรูปเป็นผัสสะและก็เกิดวิญญาณเราก็จะต้องกําหนดอา่านอาการของวิญญาณอาการของนามรูปที่มันเกิดตากระทบรูปเกิดวิญญาณหูกระทบเสียงเกิดวิญญาณ จมูกกระทบกลิ่นเกิดวิญญาณลิ้นกระทบรสเกิดวิญญาณนะท่านก็นมีศัพท์ของท่านภาษาบาลีกำหเรียง ว, วิญญาณญาณตามทั้งนั้นนะจกักรวิญญาณโสตะวิญญาณคารนณะวิญญาณจิวหาวิญญาณอะไรนั่นนะทั้งหมดวิญญาณทางตาท้งหูทางจมูกท้งลิน้นทางกายภาษาไทยเราเมื่อกำหนดรู้วิญญาณที่ว่านี้ได้ เมื่อจิตเรากําหนดรู้อาการของมันเกิดจากตามาแล้วมันเป็นรูปอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็สังขารปุ๊บเลยรู้นามาทำมันเป็นกระบวนการเขาสังขารเลยตากระทบรูปอยู่จิตรู้อยู่ไม่ได้ขาดกายกายตานี่ มันมีข้างนอกเรียกว่าภาษาทรูปตาหูจมูกลิ้นกายในภาษาทรูปห้ากระทบสิ่งข้างนอกอมีนี่คือรูปทางตาถ้าเสียงมาก็เสียงก็เป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกอย่างหนึ่งทางตะวนันหูกลิ่นตะวานจมูกทวานลิ้นทะวันกายทั้งหมดรวมกายนี่มันไม่นับอื่นท่านก็นับสี่นี่แหละ นับรวมไปทั้งร่างประสาทรวมทั้งหมดรวมเลยเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นรวมแล้วท่านไม่นับเต็มท่านประสาทรูปกับโจรรูปห้าห้าเนี่ยที่จึงกายท่านนับประกอบกายด้วยแต่เวลาบวกแล้วว่ารูปนี้เป็นห้ากับห้าเนี่ยบวกแล้ว นับเป็นเก้าเองหักออกหนึ่งภาษารูปหา้าโคจรรูปหา้าหักออกหนึ่งเหลือเก้าเพราะถือว่ากายสัมผัสเนี่ยมันซ้อนกันกับตาหูจมูก ล, ลิน้นเพราะมันเป็นภาษาตัวกำหนดรู้จริงๆมันเป็นตัวรวมสัมผัสรวมนะเป็นรถรวมอารมณ์รวม รู้ที่พา ล, ลงท้ายก็คือสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละอารมณ์รวมแต่เพียงว่าแยกทวาวรตามของจริงที่มีเท่านั้นเองอันนี้เข้าใจยากอยู่สาหรับผู้มมีสภาวะเลยถ้าผู้มีสภาวะแล้วก็เรื่องกายสัเสเศสีนี่ถ้าเราตัดรูปรถกลิ่นเสียงสี่าวรนี่ออกหมดแล้วนะวาวร เรีว่ากายะนั่นน่ะมันองรวมนั่นนะ่ะไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรมันหลบมันสําเร็จไปพร้อมกันนะมันเป็นอง์รวมไปในโดยอัตโนมัตินะเรีว่ากายสังขารกายอยงองรวมตามหูจมูกลินกายทีนี้กายคํานี้เราอาตมาพยามอธิบายเพราะว่าคนทุกวันนี้เนี่ย ธรรมะของพระเจ้าคำว่ากายในเพี้ยนไปหมดละกายเป็นไม้เอาเป็นวัตถุกายเป็นไม้เอาข้างนอกกายเป็นไม้เอาถ้าร่างกายก็าเป็นไม้เอาข้างนอกผิวไม่เป็นไม้เอาทางประสาทกายไ ม, ไม่ไม้ทางประสาทที่มีความรู้สึกประกอบอยู่ด้วยกับประสาทอันนี้แหละมันละเอียดมากเลยแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเพราะจึงปฏิบัติธรรมไม่บรรลุธรรมเพราะมันไม่ละเอียดพอมันไม่ครบดีรายละเอียดของพระไตรปิฎกมันมีครบอาตมาก็ยิบอธิบายยากยากเพราะว่ามันมันเลือนแล้วมันยากเลยมันละเอียดนะมันมันมันเนียนมันเนียนกายเนี่ยจะต้องมีข้างนอกเสมอ แต่ขาดน้ำมาทำไม่ได้คำว่ากายเนี่ยต้องมีน้ำร่วมเสมอเลยส่วนกายนีย่ไม่ต้องมีรูปข้างนอกไม่ต้องมีใช้ถวาวรนอกแล้วมีแต่ข้างในก็เป็นกายได้ แต่มาเป็นภาษาไทยแล้วคนไทยไปหาคำว่ากายไปเข้าใจคำว่ากายว่าข้างนอกหมดพอเข้าไปข้างในเรื่องจิตก็เรียกกายกับจิตเป็นเรื่องของจิตและเป็นเรื่องของในกายก็นอกเท่านั้นนี่แหละเป็นเจงตรงนี้เพระเาะฉะนั้นพูดถึงนามากายโบโหโบโหเรือพอบอกนามากายกับโบโหเรือ ไม่รู้เรื่องนลไม่เรียนละไม่กำหนดแล้วเพราะไม่เข้าใจไม่นึกว่าอ๋อจิตนี่คือกายเหรออย่างเช่นภาษาบาลีชัดๆเลยกายวิญญาณอา้าวคุณไปเข้าใจว่ากายมันคือร่าง้มันเลยไม่มีธาตุรู้ร่วมด้วยแล้วมันกายวิญญาณมันหมายความว่าอะไร <c oughs> เห็นไหม มันก็คือองค์ประชุมของกายกายนี่ปนแปลว่าองค์ประชุมหรือองค์รวมหรือองค์ประกอบกันรวมกันมันร่วมอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะั่นเรียกว่ากายมันไม่ขาดกันนะเรียกว่ากายมันไม่ขาดวิญญาณไม่ขาดนามธรรมานะกายนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยแล้วทุกวันนี้เพียนกันไม่หมดมันก็เลยไม่รู้จักกายกะลิกายกะลินี่คือกิเลส กิเลสเนะไม่ใช่ร่างกายเลยนะมันไม่ใช่ร่างข้างนอกเลยนะกิเลสเนี่ยกายกิเลสนี่คือกิเลสอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลาเรียนรูปไปทั้งอุปาทายรูปยีบสีเนี่ยมันจะละเอียดก็ไปถึงอะไรอะไรทั้งหมดแล้วหุตากัมมัญญากรมมัญญตาอะไรพวกนี้ก็เป็นกายกายแล้วหุตากายกัมมัญญตาอะไรเนี่ยคนจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันจะเป็นกายได้ยังไงแล้วหุตากัมมัญญตามันเป็นนมามธรรมกันหมดลนะ เอาเดี๋ยวจะวิเคราะห์วิจัยพวกนี้มันจะออกนอกมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ผัสสะแล้วเรียนรู้เจตนามโนสัญเจตนาในการสัมผัสทั้งหลายตอนนี้เราเน้นก็ไปหาสัมผัสอาหารกินเข้าไปในร่างกายจะได้อธิบายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตองค์ประชุมของสังขารทั้งหมดกายสังขาร ร่างทั้งร่างโดยทั้งดินน้าไฟลมที่มันเป็นธาตุก่อเป็นร่างกายนี้ด้วยถ้าได้ธาตุที่มันถูกกับของต้องต้องใช้ต้องใช้ในร่างกายจริงๆมันก็สุขภาพก็สมบูรณนะ์ไม่ขาดไม่แคลนไม่ขา ด, ขาดตกบกพร่องก็เป็นการรักษาสุขภาพรักษาร่างกายสุขภาพทางกายกันดีนะ เพราะที่มันไม่ดีก็เพราะมันเป็นหลงอารมณ์หลงเวทนาสุขทุกข์และสุขทุกข์นั่นแหละบาบาบอมมีผัสสะเข้าก็มีเวทนาปรุงแต่งปุ๊บอย่างที่พูดไปแล้วด้วยอวิชชาปรุงแต่งปุ๊บอ่าเป็นแต่ปรุงแต่งก็เคยอธิบายแล้วว่าสังขาเนี่ก็คือเวทนามันปรุงแต่งก็เป็นความรู้สึกรวมสุขทุกข์เลยอวิชามันปุ๊บเลย เพราะมันไม่รู้ลกวิญญาณนามรูปอยายตนะผัสสะมันไม่รู้เรื่องคนอวิชชามันไม่รู้เรื่องแต่เมื่อมาเรียนรู้พระพุทธเจ้าแล้วแจ ก, กปฏิสมุบาออกมาแล้วเนี่ยสังขารวิญญาณนามรูปอยายตนะผัสสะเวทนาตันหานี่แหละข บ, บวนการที่สำคัญอยู่ตรงนี้แหละกระบวนการสำคัญเมื่ะผัสสะแล้วตัวผัสสะก่อนเวทนาเนี่ยพอผัสสะแล้วเกิดปรุง ประชุมลงเลยเรียกว่าสโมสราลงไปเป็นเวทนาเลยประชุมปุ๊บไปเป็นเวทนานั่นคือสังขารมันประชุมรวมกันปั๊บสังเคราะห์ขั้งสังขารกันปับ๊บมันก็คือสังขารนั่นแหละสังขารกันเป็นเทวดาเป็นผีถ้าเกิดชื่นใจชอบใจดีใจอิทธารมก็เป็นเทวดาพอปรุง ป, รปุ๊บเป็นที่ชอบใจปรุง ป, รปุ๊บ แม่นเมียปรุงอาหารมาให้ผัวนั่งพอสดคำแรกเข้าไปบ้าป่าวันนี้มะ ก, กูกินแมาจา์บินเลยผีขึ้นผีเข้าผีขโมดเข้าไม่ชอบใจปรุงอาหารไม่ถูกปากนะตำลุไทยนะไม่ถูกปากนี่จริงๆกินเข้าไปกลืนเข้าไปแล้วด้วยไม่ถูกปากแล้วไปกินเข้าไปได้ไง เอาไปเข้าทางหูไม่ไดกินได้เออกินมันก็ต้องกินใส่ปากมันเข้าปากมันนี่จะกินได้แล้วบอกไม่ถูกปากเน่าจำนวนไทยในฟังแล้วก็ตลกกินแล้วไม่ถูกปากไม่ถูกใจโตดเกิดปรุงแตง่งปุ๊บ ป, บปบุเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นผีพระชอบใจก็เป็นเทวดาโอา้ย ด, ดีจางชื่นใจระดึงระดม พอไม่ชอบใจก็เป็นผีขโมดไปต้องไปร้องเพลงคนเ อ, อ๋ยคนต้องร้องเพลงคนเ อ, อ๋ยคนมันปรุงปุ๊บเลยไหมอัตมาวิเคราะห์วิจัยรายละเอียดของสภาวะต่างๆให้ฟังจากบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยครบบทไม่รู้กี่เที่ยวแล้วนะเงั้นเมื่อเรามีผัสสะเรารู้เลยว่าเรามีเจตนาอะไรที่เป็นตัวตั้ง เรียกว่าตันหาหรืออุปทานยึดไว้อย่างนี้แล้วเวลามันทำงานมันเป็นพลังงานเคลื่อนที่เป็นพลังงานจราณีมันก็เป็นตันหาามันไม่เป็นไม่เคลื่อนที่มันกองอยู่ข้างใต้กลนบึง้งนิ่งนอนอยู่เฉยทำเป็นเฉยเลยนะก็เป็นพลังงานสักพอเคลื่อนที่ก็เป็นพลังงานจรณนะออกมาทำงาน เมื่อออกมาทํางานก็นั่นแหละสมใจก็แหนเป็นเทวดาไม่สมใจก็เป็นผีอรารวาสว่าเราต้องตามหาตัวนี้ตามหาตัวตัณหานี่คือต้องตามลงไปที่ตัณหาที่เรามันจะเกิดอาการเจตนามุ่งหมายต้องการให้เป็นอย่างที่ยึดไว้ ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเอาอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้มันจึงจะเป็นเทวดาถึงจะได้ขึ้นสวรรค์นี่คือสวรรค์หลอกสวรรค์เท็จสุขลิกะเพราะฉะนั้นสุขภาพของจิตที่บำรุงบำรเรด้วยอาหารเป็นเทวดาอาหารที่ชอบใจโดนไม่รู้ว่าเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษ จะเป็นพิษยังไงก็แล้วแต่หนึ่งเป็นพิษโดยสารสารทางฟิสิกส์สารทางธาตุธาตุอาหารเป็นพิษได้สองเป็นพิษทางจิตอินทรีย์คืออารมณ์ชอบอย่างนี้โอ้รสอย่างนี้รูปอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เสียงอย่างนี้เออ สัมผัสอย่างนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่แหละปรุงแต่งรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นเรื่องราวต่างๆสารพัดเลยคุณก็ฟุ้งก็เฟอ้อคุณก็เกินคุณก็มากคุณก็เป็นภาระคุณก็เป็นเรื่องจะต้องยึดต้องติดต้องเป็นทาสมันจะต้องหาเงินไปต้องไปแย่งต้องไปชิงต้องไปฆ่าต้องไปแกงกันตาน่างๆนานาสารพัดนั่นแหละคือสุขภาพจิตต่ำลงเสื่อมลงเสียลง เลวร้ายลงนั่นคือสุขภาพเลวร้ายจากความอาวิชชาความโง่ที่ไม่เอาสาระแท้ๆสาระแท้ๆ ท, ที่มันเป็นธรรมชาติรูปมันเป็นอย่างนี้ก็รูปเป็นอย่างนี้เช่นเราต้องกินนะเราต้องกินอาหารอันนี้มันอาหารอันนี้มันรส เรสขมเ่นยาคุณต้องกินเพื่อรักษาร่างกายคุณก็กินสาระมันจะชอบไม่ชอบถ้าคุณไม่ชอบก็ทุกคุณดีไม่ดีไม่กินเลยเสร็จร่างกายก็ตายเพราะไม่เอายาใส่เข้าไปจิตวิญญาณก็เป็นธาตุเป็นธาตุรสไม่ชอบขมไม่ชอบเพ็ด ในชอบอะไรก็แล้วแต่ะกินรสรูปอะไรจะตามใจเป็นยาหรือแม้ไม่เป็นยาเป็นอาหารก็ตามแต่อาหารมันก็ไม่คืนไม่ขมไม่เดือดเหมือนยาเท่าไหร่หรอกยาในบางสูตรยาไทยก็ตามยาจีนนี่เจปะปุกคุณเอ้ยตมาเคยท่องยาจีนมาหลายเจ้าเออมาให้กินมาให้ใช้ แต่ก็พยายามกินเพราะว่ารสมันมันยางว่าแม้เราจะรู้เข้าใจแล้วแต่เราก็ไม่ได้ทุกข์แต่เรารู้ว่าโอ้โหรสมันคืนมันขมมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้จริงๆเช่นพริกเนี้ยกินเข้าไปมันก็เผ็ดแน่นอนจะกินให้ตายไงเป็นอรหันต์ก็ต้องเผ็ดรมันเผ็ดมันแสบอ่ะมันขืนมันขมก็ขมอ่ะมันก็ยากนะรับเข้าไปยากฟืด เฟื่อนอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่แต่จิตเราไม่ทุกเรารู้สาระของมันเราก็ต้องเอาสาระนั้นหรือแม้แต่มันง่ายมันรู้สึกว่มมันรื่นรมรสนี่โอโหรสหวานรสหอมรสอะไรแต่แล้วแต่เถอะบางทีประสาทประสาทของคนบางคนนี่ต้องการกระรสเปรี้ยว ประสาทบางคนต้องการจะรสหวานบางคนประสาทมันต้องการจะรสขมอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นได้สำหรับแต่ละบุคคลมันมีเหมือนกันเพราะมันก็ปีไปตามธรรมชาติกันบ้างถ้ามันไม่ต้องกับประสาทไม่ต้องกับอะไรของเรามันก็ฝืนหน่อยแต่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระแล้วก็เอาแล้วก็ได้สาระทางกาย จิตวิญญาณเราก็ไม่เกเรจิตวิญญาณเราก็ไม่ไปที่ใดอะไรที่จะต้องไปต้านสิ่งที่ไม่ควรต้านรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมันไม่ค่อยจะตรงกับประสาทเราเท่าไหร่ไม่ต้องพูดอารมณ์ที่ไปต้านไปกิเลส น, นะกิเลสมันต้องอย่างงี้่งี้ีไม่ใช่ไ อ, อ้ยังงั้นนะแย่แล้วไ อ, อ้กิเลสเป็นกนะําหลด้วแย่แล้วนี่แค่ประสาทนี่ก็มันก็ยังต้องรู้ แต่ยิ่งอารมณ์นั่นแหะเลิกเลยต้องหยุดให้ได้หมดเลยอารมณ์เหลือแต่ประสาทประสาทมันไม่ค่อยจะลงกันเท่าไหร่ก็ธาตุประสาทธาตุประสาทของแต่ละคนรสนี้มันเออมันไม่เคยแต่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องกินต้องรับมันเข้าไปต้องสัมผัสมันเข้าไปเช่นกลิ่นมันเหม็นเป็นต้นจะมันฉุนเป็นต้นรสมันเผ็ดเป็นต้นรสมันขืนเป็นต้น อะไรแล้วแต่หรือมันแข็งเป็นต้นมันเหนียวเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นประโยชน์นะเราก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะรับมันเข้าไปในร่างกายมันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์สุขภาพกายเป็นประโยชน์ของสุขภาพจิตเพราะมีความรู้มีความจริงเอออันนี้ควรไม่กวมันก็มีปฏิกิริยาของจิต แต่ถ้าเกิดปฏิกิริยาของจิตคุณก็สปาร์ตแครนีก็เสียก็เสื่อมก็ซุดอะไรอลไรไปมันก็เกิดแต่ถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาของจิตรู้มันเออขมก็ขมคืนก็คืนก็ปล่อยมันก็มันยากหน่อยประสาทของเรามันไม่เคยจะต้องกันนักก็ไม่เป็นไรมันไม่มีอารมณ์เข้าไปขั้นมันไม่มีจิตอีกตัวหนึ่งก็ไปเป็นผีร่วม ตานรวมอะไรมันมันเป็นเรื่องของประสาทเท่านั้นก็ทำให้พลังจิตของเราเนี่ยมันแก้ไขตัวนี้ก็ได้พลังจิตของเราเนี่ยรับรู้นา น, านๆก็ชินก็ช้าก็าอะไรอะไรก็มันก็ไม่และแม่ไปต้านแม้อะไรแล้วยกตัวอย่างง่ายๆใคร เคยกินน้ำเยี่ยวอโอ้โหพวกเรานี่พวกลูกพระพุทธเจ้าท้งนั้นเลยเนาะกินใหม่ๆ ม, มันมีกิเลสต้างจัดเลยโอ้โหกินหากกินเย็นแล้วเรียกว่ามันเคยชินมันก็ไม่เชิง ม, มันก็ไม่เชิง มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเยี่ยวเราเมื่อนั้นเมื่อนี้มันก็จะเป็นรถปริกลิมนก็อยู่ประมาณอย่างนั้นตลอดเวลาแต่พอเราไม่มีจิตต้านแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเออวันนี้รถมันเป็นอย่างนี้หน่อยเนาะวันนี้มันมีรถอย่างนี้หน่อยเนาะก็สนนนี่นนี้โอ้ ว, วันนี้รถจัดหน่อยเนาะวันนี้รถมันก็ไม่เคยจัดเท่าไหร่เออวันนี้รถร่นดีเออวันนี้ยังไงอ่า หมักไปนานหน่อยแบคบทีเรียก็ไปทําปฏิกิริยารู้สึกว่าจะมีกลิ่นินหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่มีจิตที่ไปสปาคไม่มีจิตที่ไปสังเคราะห์ให้มันเกิดความสูญเสียอะไรเลยอารมณ์ไม่เสียเพราะอารมณ์เราไม่มีไม่มีต้านมันแต่เผื่ว่าเราไม่เป็นต้านอารมณ์เสีย สุขภาพจิตก็เสียสิอารมณ์เสียเกิดจากผัสสะเกิดจากเจตนาเกิดจากรู้รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วกำหนดรู้จิตเรียนรู้เรื่องจิตรู้จักวิญญาณรู้จักนามรูปทั้งสิ้นเลยนี่เราเจาะเฉพาะว่ามันกินเข้าปาก ต, ต่างๆอาหารกินเข้าปากเท่านั้น เพราะเรื่ออื่นๆก็นในยะพวกนี้คล้ายๆกันถ้าปฏิบัติเรื่องอาหารโภชเนมัตันยุตตามัตันยุตตาจาพัพตัดสมิงอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ถ้าเราเรียนรู้เรื่องอาหารเนี่ยเป็นอปันละกัปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่อ่านนี้ดีเถอะนะอ่านกามคุณจากอาหารอ่าน เดืดรู้เมื่อผัดสะเมื่อใดยังไม่กินนะตาเห็นรูปแล้วก็เธ อ, เอได้กินแล้วนั่งอยู่ที่นี่โอ้โหครัวกินมาจากนนะจะยินเสียงแล้วอเอามาใช้ทางลิ้นกับสัมผัสทางลิ้นข้างในหรือสะผัดร่างกาย จะเป็นอาหารที่เป็นกวลิงกลาหานี่แหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าปฏิบัติ่านให้มันชัดเลยก า, ารให้มันรู้แล้วก็ลักกิเลสให้มันได้จากอาหารนี่รับรองเป็นอาหารหันต์ตัวเดียวนี่ก็ได้เรื่องอาหารนี่มันเป็นเรื่องสำคัญเดียวนี้ไม่ละไม่ปฏิบัติกันปฏิบัติไปอาหารก็ไปกินมือเดียว ไปกินน้อยๆเท่านั้นไปกินอะไรแต่ละแล้วแต่ประหยัดกินอะไรต่างๆนานาไปโน่นแทนที่จะไปเรียนรู้อาหารให้มันครบสี่อย่างที่ท่านสอนไว้ในอาหารเนี่ยทีนี้อาหารอื่นๆไปอีกในอวิชาสูตรข อ, ขอเลยไปแล้วนะคุณพิมพ์เพชดตรุงเมื่อกี้นอธิบายเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายจากอาหารไป โอ้โหนี่19านาฬิกาสเจเมื่อกี้เราเท่าไหร่ละคอสชอกินไปเท่าไหร่20สบนาทีอา้าวอีกสามนาทีถึงยี่สบละเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารที่เป็นกวลิงกราอหารเป็นตัวตั้งแล้วก็ขยายผภาษาอาหารขยายาขยายเจตนาขยายนามรูปต้องรู้ต้องอ่านออก นอกในกระทบแล้วเป็นกับวิญญาณขึ้นมาอ่านนามรูปได้แล้วก็วิจัยเวทนาในเวทนาได้รู้จักตัณหาตัวเหตุกาจัดตัวเหตุได้คุณก็ลดกิเลสได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมเป็นอรหันได้เข้าหลักอปปนกาปติปทานะอาหารํำข้าวทีนี้อาหารในอวิชชาสูตรนะ ท่านขึ้นต้นเลยว่าอาวิชชาไม่ใช่ไม่มีอาหารมีอาหารอาหารของอวิชชาคือนิวนหานี่แหละอาหารสำคัญนะ่า น, นี่อาหารนิวรธาเป็นอาหารของอวิชชา ข้าพายเทอิตมาขอใช้สับแรงๆหน่อยะอวิชานี่คือโคตรพ่อโคตรแม่ของคนใช้พใช้ภาษาที่ดุเดือดมากมันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของคนอวิชานี่แล้วมันก็ต้องหาอาหารคือนิ่ว่นหาเสมอเลยมันอวิชชาจริงๆเห็นไหม อภิชาติแปลว่าอะไรเห็นไหมมันโง่ไหมมันโง่จริงๆมันสแสวงหาแต่ไออาหารที่บ้านนี่แหละคือนิวรนหาโอเห็นไหมว่ามันคนเราใ่ใครเคยโง่บ้างถ้าใครไม่ยกมือนี่เดี๋ยวมาร์กไว้เลยนี่ให้ตกไม่ต้องให้ผ่านแล้วคนเนี้ อาหารที่มันไร้เลวที่สุดโดยที่ไปเลี้ยงตระกูลนี่ไว้ตระกูลนวิชาไว้เป็นโคดเลยเป็นตระกูลเป็นโคดอัตมาไม่ได้พูดหยาบนะอัตมาขอโอกาสแล้วขอใช้ภาษามันสมสมัยยุคนี้ก็ต้องพูดเดือดอย่างนั้นแหละแต่ ด, ดืเดือดคนละลีลาลีลาของอัตมาเนี่ยแฝงๆหน่อยไม่นิ่มไม่นวลเท่าไหร่ตีเปรี้ยงเขาแสกหน้าเลยนะ มันโง่จริงๆอวิชานี่มันมีตะระกูลโง่เป็นตระกูลโง่ ต, โต้นตระกูลโง่ต้นโคตต้นตระกูลโง่จริงๆนะเพราะมันมันจะหาแต่อวิไอไนิวอร์นามาใส่ชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นิวอรนาทีนี้ไอนิวอร์านาท่านก็ตอบพี่ว่าไม่ใช่ไ ม, ม่มีอาหารอาหารนิวอร์นามันเกิดจากอะไรทุจริตสาทุจริตคืออะไร กายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตสาทุจริตก็คือมันไม่ดีชั่วกายกรรมชั่ววจีกรรมชั่วมโนโกรรมชั่วก็คือกรรมสามทุจริตสามเพราะนั้นกรรมคือการกระทาคือการงานคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดพฤ ต, ติกรรมขึ้นมาเนี่ยพฤติขึ้นมาเนี่ยมันกอกรรมทั้งนั้นเนี่ไปเกี่ยวไปคล้องไปแสวงหาไปกระทาสร้างสรร ปรงแต่งทาอะไรขึ้นมามันก็กรรมทนั้นน่ะเคลื่อนไหวขึ้นมาคือกรรมทั้งนั้นอาการเคลื่อนไหวแต่แต่จิตถ้าจิตดิ้งเลยยังไม่เกิดกรรมพอเริ่มเคลื่อนที่มาเป็นกรรมละขอแวะอาการกรรมของจิตที่ละเอียดให้ฟังไม่ค่อยได้พูดถึงแต่เคยอธิบายมาบ่อยเหมือนกันน่ะหลายคนฟังมา คือพฤติกรรมของจิตมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจมีเจดตัวหนึ่งอารัปธาต์สองอารัปธาต์สนิกรมธาต์หนึ่งสองสามธาตุข้างในเลยในจิตเริ่มต้นเลยเกิดจุดขึ้นมามันกำลังจะเป็นพลังงานของจิตเริ่มต้นปั๊บ พระสองก็เป็นดานาปอารัปทาอารัปท า, า, ามันก็คือมันเริ่มเกิดขึ้นมาปลารพซึ่งกันและกันอรัพะอารัมภะมันยังไม่ออกไปไหนไม่มีฤทธิ์ไม่ไปอาราวาัฏอะไรใครยังไงแม้ที่สุดลาราวาัฏอยู่ในจิตเราเองเท่านั้นเกิดสามเป็นนิกกมธาตุยังไม่ไปทำอะไรถ้าไม่ไปทำกรรมอะไรเกิดมาจากข้า ง, างในอยู่แต่ข้างใน นิกรรมธาตุจากนิกรรมธาตุเป็นตัวที่สี่เป็นปรักปรักรรมธาตุปรักกรม ร, กรมธาตุนี่ก็คือมันมีตัวนอกขึ้นมาแล้วเรียกว่าประเนี่ยออกมาแล้วนะมันชักจะโตยังไม่ออกมาจากจิตเหมือนกันปรักกรรมธาตุเนี่ยเริ่มจะชื่อว่ากรรมละปรักกรรมธาตุเริ่มจะชื่อว่ามันเป็นบทบาทของมนโนกรรมละ แต่ถ้าสามตัวนี้มันเป็นมโนมันเกิดมันก็จมอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไม่อะไรพอมีปรักรมัทธาต์ตัวที่สี่มันชักจะมีอาการและอาการที่จะฟุ้งออกมาข้างนอกนล้เสร็จแล้วก็เป็นถามมทธาต์เป็นกําลังเป็นกําลังที่นอกจากจะออกมาแล้วทีนี้มันจะอารวาสนะไม่ออกกําลังนะ แล้วก็เป็นตัวที่หทิติธาตุทิตินี่ก็คือได้ได้ได้ทิตทตังแล้วได้จิตตังแล้วสองสองเศร้าแล้วสามส า, ม ส, ามสองเศร้าแล้วพอออกองศาออกไปอีกทางนอกเลยตอนนี้ตัวที่เจเริ่มออกไปแล้วเริ่มต้นเท่านั้น 7, นะเจ็ดนี่ถือเป็นตัวที่เจเรียกว่าธาตุแห่งความพยายามครบ ครบละสามเศร้าไปหาเจ็ดเป็นตัวเกิดพลังที่จะไปอารวาสละเพรา ะ, ะถ้าจะนับมันตัวเริ่มเป็นมนโนกรรมแล้วเนี่ยปรักรรมธาตุยังไม่กรรมเท่าไรธรรมธาตุเป็นกําลังกําลังจะออกไปอารวาสสร้างกรรมละมันเริ่มเป็นของตัวเองขึ้นมาละมันเป็นมนโนกรรมของต้นขึ้นมาลนะนะธรรมธาตุทิฏฐิธาตุขึ้นเหมือนกระสอนเนี่ยมันมี สายตั้งที่ตั้งทิติแปลว่าการตั้งตั้งแล้วตั้งที่ตั้งทางตั้งใจตั้งเจตนาและตั้งละพอตั้งและเสร็จทําเลยเรียกว่าพยายามให้สมตามเจตนาเป็นมโนสเจตนาเลยนี่คือรายละเอียดที่ละเอียดมากเลยของพระเจ้าที่เกินที่จะเดาเดาไม่ออกหรอกพลังงาน แ ท, แท้จริงๆของจิตลึกๆพอเกิดพลังงานปรักปรกักกรรมธาตุคือธาตุอุปปกรณ์ธาตุอุปรกมปรกม์ธาตุเป็นธาตุแห่งความพยายามสําเร็จบทบาทของจิตที่ตั้งทิศแล้วก็จะทําให้สมใจเรียนพยายามถ้าเป็นมิจฉาวายามะก็ทําไปตามอาวิชชาไปเลยและมันก็เป็นอย่างนั้นในมนุษยชาติ ถ้าตั้งใจสมาทานสัมมามันก็จะเกิดวิชาเป็นสัมมามุ่งไปในทิศทางดีในทางละกิเลสในทางกุศลถ้าเป็นโลกีก็เป็นกุศลถ้าเป็นผู้ที่เรียนรู้ปรมัตา์เรียนรู้โลกุณธรธามุจักก็จะละกิเลสไปด้วยเป็นกุศลด้วยละกิเลสด้วยเป็นอุปยะอุปยัตเป็ น, ป, นประโยชน์สองอย่างอุปยัตถะ เป็นประโยชน์ทางตนและผู้อื่นประโยชน์ตนก็หลักกิเลสประโยชน์ผู้อื่นก็เป็นกุศลนี่คือลักษณะของจิตต่างๆลักษณะของท่าต่างๆเพราะนัดเมื่อเร า, าเรียนรู้แล้วอาหารที่เราทำทุจริตทีนี้เข้าไปสู่อาหารในอวิชชาสูตรทุจริตสามออกมาทางกายทางวัจี ก็มาจากมโนที่มันมีตัวพยายามถ้าเป็นมิจฉาวายามะม่อนก็ไปมิจฉาพยายามไปเป็นทุจริตกายทุจริตวาจาก็เกิดจากตัวจิตที่มันอวิชชาถ้าได้สังวรระวังรู้คุณก็จัดการยิ่งฆ่ากิเลสได้ด้วยออกมากายกรรมวิจีกรรมก็ก็เป็นความพยายามที่เป็นทั้ง บุญเป็นทั้งกุศลชําระกิเลสได้ด้วยเป็นประโยชน์เป็นสิ่งดีเป็นคุณงามความดีเป็นกุศลด้วยออกไปไปทํางานเป็นทำกรรมที่นี้มันเกิดทุจริตสามเพราะไม่ได้เรียนรู้จากอาหารของทุจริตสามมันมาจากอะไรอะไรเป็นอาหารของทุจริตสาม ไม่สังวร อ, อินทรีย์หกตาหูจมูกลินกายใจไม่ระมัดระวังไม่เรียนรู้เลยว่าสังวรประธานคืออะไรในสมประทานสี่ระวังตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจก็เป็นตัวร่วมไปหมดนั่นแหละ ซึ่งเราก็จะรู้ทันหมดทั้งปัสสาทรูปผ้าโคจรรูปผ้าแ ล, ล้วเกิดภาวะรูปเกิดภาวะรูปสองภาวะรูปสองก็คือหนึ่งเป็นอิทธตตะหรืออิทธินีท่านเรียกเป็นเพศไม่สมบูรณ์เพศยังไม่สมบูรณ์เพศยังบกพร่อง เรียกเป็นเพศเป็นบุคคลตัวตนก็เรียกว่าเพศหญิงเพศติดสมบูรณ์ก็เรียกว่าปุริสัปุริสัตะหรือปุริสินทร์ออีปุริสัตะอตตะนั่นแหละอตตานั่นแหละอตตะอิตตะอธอิทธะตะ ก, ก็อิทธีปุริสากับปุริสัตะ บรือุิสภาวะอิทธิภาวะเพราะเราจะต้องทําให้สุดยอดเป็นปุริสุดธรรมะปุริสุดธรมะปุริสับอุตมะปุริสุดธรรมะจบถ้าเป็นปุริสากบุรุษนี่แหละที่เรียกกันปุริสุดธรมะอุตมะกับุริสส์ปริสุดธรรมะแปลว่า เป็นสภาพเป็นภาวะที่ดีสุดสูงสุดแล้วปุริสตมะเพราะเราจะต้องทำให้มันเป็นปุริสะมาเรื่อยๆ เ, เป็นปุริสตตะเรื่อยๆ เ, เป็นปุริสตตะเรื่อยๆ เ, เป็นปุริสินสีปรับมาให้ไปเป็น เ, เป็นหนึ่งนี่ของพุทธนะถ้าจะไปเอาอันนี้ไปอธิบายทางโลกเขาก็จะหาว่าศาสน า, าพุทธนี่มันกดข่มกดขี่ สตรีเพศกดขี่เพศหญิงเขาก็จะว่างกันเลยแต่พวกที่ถือสักด์ถือสีกันเดี๋ยวนี้ก็ถือตัวถือตอนเออกดข่มไม่ไม่ได้ไปกดไปข่มเพศดูถูกทางเพศไม่ให้เสมอภาคเราก็ไม่ว่ากันเข า, าก็วาไปกันแล้วแต่อัตมาเคยแย้งทาพวกเทวานิยมทางด้านสาย นี่แหละไม่ใช่พุทธเนี่ยถ้าพุทธเราเข้าใจเราเชื่อพระเจ้าเราเรายิ่งศึกษาเราก็ยิ่งจะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นศัพทธรรมมันเป็นธรรมะของศาสนาเจสายเทวนิยมใจเจโตอาตมาก็เคยแยง้งเคยบอกอาตมาว่าไม่อธิบายกับคุณหรอกคุณไปแย้งกับของคุณเองคุณถือศาสนาคทิดคุณก็ไปต่อว่าพระเจ้า ว่าพระเจ้านี่ทำไมสร้างผู้หญิงผู้ชายมานี่ลำเอียงเพราะคุณสร้างผู้ชายนะ่คุณสร้างมาตรงๆพระเจ้าสร้างมาเต็มรูปแต่พอสร้างผู้หญิงคุณก็ไปเอาสิโครงของผู้ชายนะ่มาสร้างเป็นผู้หญิงเป็นอีฟอะ่ะคุณก็เอาสิโครงของอันดำมามาสร้างอะ่ะ แล้วไอ้กระดูกที่โครงของอดัมแล้วมันเป็นไม่เป็นรองอดัมหรือไงมันเป็นส่วนหนึ่งของอดัมเท่านั้นไม่ใช่เลยอคุณก็ไปโตต่อรองกันเราเองกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าตกลงว่าอันนี้เสมอภาคนะที่โครงกับไอ้ตัวร่างกายทั้งร่างนี่เสมอภาคกันก็อัตอมาก็โอเคก็ จ, จบแล้วพูดกันไม่ต่อไม่ไป็รแล้วจบ มาเข้าเรื่องสํารวมอินทรีย์พระอาการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นจะต้องสํารวมอินทรีย์ถ้าสํารวมอินทรีย์ได้คุณก็รู้ล้ตากระทบรูปคุณก็สํารวมระมัดระวังหูกระทบเสียงอะไรก็ระมัดระวังระมัดระวังแล้วก็อ่านกระบวนการของจิตเมื่อกระทบแล้วมันเกิดกระบวนการของจิตดั้งที่ระหัอธิบายธรรมาอธิบา ย, าาา ย, บายไปไม่รู้กี่เที่ยวซ้ำซากกระบวนการมณสิกานกระบวนการสังขาร มันก็สังขารโดยอวิชชาทีนี้สังขารโดยไม่อวิชชาแล้วเราจะเป็นอภิสังขารแล้วจะตรุงแต่งยังเรามีการปฏิบัติมีการเรียนรู้จัดการมันเลยปุญญาภิสังขารสังขารมันก็ต้เรียนรู้เพื่อที่จะชําระกิเลสให้ได้ให้มันเกิดบุญให้ได้คุณก็ทําเพราะฉะนนั้จึงสังวรแล้วก็ประหารกิเลสให้ได้สรุปในสมประทาน อาหารกิเลสได้ก็เป็นผลภาวนาประทานนะเพราะงั้นในการสํารวมสังวรสังรวมอินรีย์หไม่มีอาหารลึกเข้าไปอีกจะทํำยังไงอะสังรวมอินีแล้วจะทํำยังไงต้องตั้งต้นที่สติสัมปชัญญะเป็นอาหารของสํารวมอินีกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสก็ตาม คุณก็ต้องรีบอ่านมีสติรู้ตัวมันกําลังกระทบถ้าคุณเผลอคุณไม่มีสติคุณพอสัมผัสปับ๊บมันปรุงแต่งพรวดเลยไอ้สติมันก็ไปกับกิเลสกิเลสไปกับสติสติกลายเป็นตัวกิเลสร0อเซนเลยพอสัมผัสปับ๊บสติที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมตั้งหลักสังวรนะประหารนะไม่ประหารนะกิเลสมันประหารคุณเลย เสร็จกิเลสมันหักคอคนเลยไปก็มันเสร็จเลยไม่มีสติสัมปชัญญะพอรู้ตัวแล้วเราก็จะสํานึกรู้ตัวสติสัมปชัญญะสํานึกสัมปชัญญะสัมปชานะสัมปสัมปชติอะไรต่างๆนานาที่อาตมาเคยแจกมาให้ฟังสัมปชลติอะไรต่างๆจนจะถึงสัมปตสัมปนะขึ้นไปก็คือต้องต่อตัวนี้แหละจิตตัวนี้ต่อไปให้มีบทบาทการงานของจิต มณสิการ์หรือมโนสิกโรติทําใจให้ได้มันจะรู้ต่อไปแล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยตามที่ได้เรียนรู้มาได้ฝึกมาเอ้าเจอกิเลสกระบวนการมณสิการ์กระบวนการของสังกัปะเจเป็นต้นคุณก็จัดการมันเลยมันดําริกมาเอ้ามันมีกามร่วมมานี่เป็นกามาสังกัปปะหรือกามวิตกขึ้นมาจัดการจับตัวกามไม่ได้ ไม่ใช่ไปจับทั้งสังกับปะความนึกคิดทั้งหมดแล้วก็ดับความนึกคิดแม่มันคิดอะไรไม่ใช่จับตัวกามที่มันผสมมาก็จิตนั่นมันดําริเริ่มเข้ามาแทรกแสงออกมาแล้วด้วยร่วมด้วยในจิตในความคิดในสังกับปะจับไอ้ตัวเหตุนี้ให้ได้กําจัดตัวนี้เลยโดยวิธีกําจัดไม่ขออธิบายตรงไปว่าวิธีกําจัดวิธีประหารหน้าอะไรไม่พูดวันนี้ไม่อธิบายเมื่อคุณกําจัดได้ นะกับจัดสําเร็จก็สติสัพพัญญาของคุณก็เรียบร้อยสติสัพชัญญาของคุณทํางานกระ บ, บวนการทั้งสัมปชานะสัมปชติสัมปชลติสัมปันต์สัมปันะนนะอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือกระ บ, บวนการของโยนิโสมมณสิการสติสัพชัญญามีอะไรเป็นอาหารมีโยนิโสมมณสิการมีการทําใจในใจเป็นมีการปฏิบัติเป็นมีการจัดการกับจิตเป็น สังขารเรียกสั้นๆแบบสังขารจัดการกับจิตที่อาตมาอธิบายไปแล้วใช้ภาษาอะไรคนไม่รู้ติดยึดในภาษาก็จะหาอาตมาพูดสับสนพูดปนเปพูดเลเอะเทอะแต่ใครเอาสภาวะคนนั้นใช้ได้แด้ไปปฏิบัติตามที่อาตมาพูดเถ อ, อะได้ผลก็มาบอกบรรลุอรหันต์เมื่อไหร่รก็มาบอกบ้างเอาจริง เพราะจะโยนิโสมมานสิการถูกต้องแต่คนมันอวิชามันไม่รู้สติกระทบแล้วไม่ใช่สติเมื่อผัสสะกระทบแล้วสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสัมปชานะไม่รู้เรื่องมีแต่ให้กิเลสมันเข้าไปจัดการบังคับหรือว่าจัดแจงหมดเลยคุณก็ทำใจในใจไม่เป็นกิเลมันทําใจในใจคุณ่ะ กิเลสมันมณสิการจิตคุณนะมันทำใจในใจของคุณเองหมดกิเลสมันเป็นตัวการจัดการหมดเลยผลอาหารที่ได้ก็คืออาหารที่กิเลสมันจัดการหมดเลยข้ามจากโยนิสม์มณสิการมีอะไรเป็นอาหารมีศรัทธาความรู้ความเชื่อศรัทธาความรู้ความเชื่อเนี่ย คุณเชื่อคุณรู้มาตามที่โลกมันหลอกมาคุณก็เชื่อว่าไอ้นี่อร่อยเชื่อไอ้นี่มันสนุกเชื่อว่าไอ้ น, นี่นมันน่าดายน่ามีน่าเป็นคุณก็ไปตามมันเชื่อมันอยู่นั่นนั่นมาดีนะพวกคุณเนีะยมาค่อยมาเชื่ออาตมาบ้างแต่เชื่อยังไม่สนิทเชื่อว่าจาไปแย่นเขามาก น, นเลยราบลดสัเสรน่ะ น, นะเออเ็ยเชื่อมึงมาลดแบบ แต่ว่าแล้วนะต่อว่าแล้วเชื่อยังไม่สนิททีเดียวรู้ยังไม่สมบูรณ์น้ำหนักของความรู้ยังไม่มีแรงพอคุณก็ทำให้มันต่อทำให้มันมีกำลังทำให้มันเป็นพลังของศรัทธาเป็นอินทรีสัจจินทร์ศีพระเสร็จศรัทธาพระละขึ้นไปให้ได้มันเป็นความรู้ความเชื่อที่ถูกต้องสมาธิแล้วก็จนกระทั่งถึงสุดยอดเลยจบ วิชาเชื่อสนิทเลยว่าเออไม่ต้องไปเป็นธาตมันหรอกไม่ต้องไปอยากได้มันหรอกไอ้ลาบยับสัมเสนืดูบลดกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรพวกเนี้ยมันก็มีอยู่ในโลกนี่แหละเราขยันสร้างชั้นทํางานเนี่ยลาบมันก็เกิดโดยทำลาภธรรมิกาเสร็จแล้วเราก็เอามารวมเป็นสาธาราโปคีใช่ร่วมกันอยู่เนี่ยไม่ให้มันตายเลยสบายดีด้วยไมันไปรบราฆ่าฟันกับใคร มีจะช่วยกันทำงานช่วยกันกินอยู่ใช้ไปปฏิบัติไอ้ที่เหลือกิเลสไปมันก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโอ้เจริญ ง, งอกงามอย่างกับปุยชาวโสกนะงอกงามงอกงามเมื่อคุณเกิดศรัทธาตัวนี้มันเป็นความเชื่อความ เข้าใจความรู้ที่ลึกเท่าไร่ก็แล้วแต่เป็นอินทรีย์เป็นกําลังของความเชื่อความและต้องถูกต้องเลยนะเป็นศรัทธาที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องศรัทธากับทิตินี่มันใกล้ๆ ก, ก, กนนันเป็นความรู้ความเห็นแนละ้วก็มาเป็นความปักลงไปเชื่อเ ป, เป็นความรู้ที่ลึกลึกลงไปมันปักมั่นลงไปเป็นศรัทธา คุณจะเกิดความเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นเชื่อก่อนยังไม่ได้เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองก็คือตัวเองพิสูจน์ปฏิบัติจนกระทั่งสุดท้ายท่านก็บอกว่านั่นแหละเมื่อคุณทําสําเร็จแล้วคุณไม่เชื่อใครเลยคุณไม่ได้เชื่อแม้แต่ว่าเชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เมื่อคุณปฏิบัติบรรลุแล้วคุณเชื่อสิ่งที่คุณเกิดกับคุณเองเป็นผลปัจจัตลักษณ์รือปัจจตังไวทิตฐโพวิยูหิเกิดด้วยของตนเลยบรรลุตนเอง คุณก็เห็นอันนี้เกิดเห็นกิเลส ด, ดับเป็นต้นเห็นอาการของกิเลส ด, ดับแล้วอารมณ์ของชีวิตที่มันไม่มีกิเลสอย่างนี้แล้วเป็นต้นมันเป็นยังไงมันจะ จ, จ, จืดไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วจืดจดเฉียวอะไรหรือเปล่าไม่เบิกบานร่าเริงเลยเศร้าหมองแล้วจืดบันูเถิดแข็งทื่ออะไรหรือเปล่าอะไรเป็นต้นคุณก็จะรู้เองไม่ได้ไปเชื่อใคร เป็นไปตามธรรมที่คุณจะเป็นเองนี่คือศรัทธาพละสุดท้ายเป็นความเชื่อความอินทรีย์จนกระทั่งถึงขั้นพละกำลังของความเชื่อเต็มคุณจะเกิดอาหารที่เป็นศรัทธาศรัทธาจะเป็นอาหารเมื่อคุณเชื่อและคุณปฏิบัติหรือคุณจะปฏิบัติถูกเพราะคุณเชื่อมาถูก ที่เชื่อมาถูกเพราะอะไรเพราะได้ฟังได้ฟังสัตท์ธรรมได้ฟังธรรมะที่ถูกที่ดีสัท์ธรรมเป็นอาหารของศรัทธาได้ฟังได้ยินได้รู้ได้อ่านได้รับมารูปรับรูร้มาจากทวารนะจากอะไรเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีโอ้เยอะแยะ ซึ่งเป็นสัต์ธรรมเป็นธรรมะที่ดีธรรมะที่ถูกต้องธรรมะที่สมาธิคุณได้มาได้มาจากใครได้มาจากสัตตบรุษอันตมาไล่อวิชาสูตรนี่ไปเอาทาั้งเงี้แล้วก็ไล่ย้อนอนุโลมปฏิโลเนี่ยไม่ได้ท่องหรอกเอาสภาวะเป็นหลัก เลยก็บเฮยตรงนี้มันชื่ออะไรตรงนี้มันชื่ออะไรก็นลึกตอนนี้ก็จําได้แล้วท่องได้ไม่สับสนแต่สภาวะมันเป็นหลักไม่ได้ท่องนัแต่มาไม่ได้ท่องและรับรองว่าคนที่มีสภาวะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยตัวสภาวะไม่มีพาสับสนหรอกอาจจะสับพยัญชนะที่พูดไปสับไปสับมาแปลความแปลคาอะไรสับสนหน่อยเท่านั้นก็ได้บางทีก็ จำความแปลความหมายเขามันเราไปใส่ผิดหน่อยเท่านั้นแต่สภาว่ามันไม่สับสนหรอกคุณได้พบสัตบุรุษคือผู้ที่มีคุณธรรมแล้วผู้บรรลุธรรมแล้วผู้เป็นอาริยะจริงเป็นผู้ที่ต้นต่อของผู้ที่จะให้อาหารของเราเป็นมิตรดีเป็นมิตรดี พระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นมิตรดีแต่เราก็ได้ฟังท่านจึงบอกว่าพยายามเจอสัตตบรุษแล้วก็ต้องเข้าไปพบสัตตบรุษเข้านั่งใกล้เงี่ยส ด, สดับตั้งใจศึกษาให้บริบูรณ์คบสัตตบรุษบริบูรณ์ก็ได้ฟังธรรมที่บริบูรณ์ฟังศัตรธรรมที่บริบูรณ์ เมื่อฟังสัตธำมบริบูรณ์สัตธางคุณก็บริบูรณ์มันจะเป็นความรู้ความเชื่อที่ถูกต้องแต่ถ้าสัตตบุรุษเป็นอักษตตบุรุษจะอะขนาดไหนแล้วแต่อะประเภทที่หลอกนี่เก่งลวงนี่เก่งโกโหกเก่งทุจริตเก่งกไปใหญ่เลยอ่าก็อักษตธรรมอักษตถาเพราะอสักษตาไม่ใช่หมายความว่าไม่เชื่อ เชื่อผิดผิดเชื่อไม่ได้เรื่องอสัตธรรมเอ้ไม่ใช่อสัตธาเพราะบางทีไปเอาพยัญชนะมาอะมมเอาไว้ว่าไม่เอ้าทั้งนั้นอสัตธาหรือว่าไม่ศรัทธาก็แสดงว่าไม่เชื่อจริงเนี่ยเชื่อเชื่ออสัตตบรุษเชื่ออสัตยธรรมเชื่อหนักด้วยบางทีจนกระทั่งพูดเท่าไรก็ไม่กระดิกหูยังไม่ดีด่าเราอีกต่างหาเมื่อคุณเชื่อผิด คุณก็อโยนิโสมนัสิการแต่ถ้าคุณได้ถูกมาตั้งแต่สัตตบุรุษได้ได้สัทธธรรมบริบูรณ์ได้เชื่อศรัทธาบริบูรณ์โยนิโสมนสิการคุณก็บริบูรณ์ทำใจในใจเป็นครบครันคุณก็เป็นสติสัพชัญญะปฏิบัติสติสัพชัญญากับบริบูรณ์สังรวมข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายกับบริบูรณ์เพราะเป็นสูตรหลักของพระเจ้าอยู่แล้วพอสํารวมอินทรีย์หบริบูรณ์ กรรมต่างๆสุจริตหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สุจริตขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณทำเรื่อยๆเรืยๆรื่ยๆที่คุณจะเกิดสุดจริตก็เพราะทําลายนิวรณ์เมื่อสุจริตบริบูรณ์กายกรรมบริบูรณ์มโนกรรมบริบูรณ์และจัดการกระจายให้บริบูรณ์ด้วยนิวรณ์มันจะไปเลี้ยนิวรณ์ไม่เหลือ ถูกกำจัดหมดเพราะฉะนั้นในสูตรที่เป็นการปฏิบัติของพระเจ้าก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ร่วมกันกับมันก็จะเป็นโพชฌงเจ็ดเพราะฉะนั้นท่า น, นละลาเมื่อสุจริตบริบูรณ์ข้ามเลยนี่วรห้าพปฏิโลมมาแล้วเนี่ยลายมาแต่สัตตบรุษมา บริบูรณ์มาเรื่อยๆ เ, เนี่ยนิวรห้าไม่เหลือมีแต่สติสติปฐานก็บริบูรณ์โพชฌงเจ็ดก็บริบูรณ์ปิตชาและวิมุตติก็บริบูรณ์แต่ถ้าเอาวิชามันอ้วนเอามันโตเอามันใหญ่เอาก็คือปุถุไม่มีโพชฌงไม่มีสติปฐาน มีนิวรเป็นอาหารของอวิชชาพทชงเจสติปทานสไม่มีในอสัตตบรุษไม่มีในคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอวิชชาก็หนาไปด้วยนิวร์ ติอัติมาขึ้นต้นแล้วว่าอาวิชชาเนี่ยมันโคตรพอโคตรแม่ของสร้างนิวรณธาเลย <c oughs> เข้าใจถึงแล้วใช่ไหมว่ามันเห็นไหมหน้าตากับไอ้อวิชชาเนี่ยมันยอดตระ ก, กูลโตโหโคตรจริงๆเลยโคตรตระกูลเลยโคตรทวดเลยไม่ใช่โคตรแต่พ่อแต่แม่นะโคตรทวดของทวดเลย มันก็เอาแต่ในวรรตัดลบตับพึชเลยถามแล้วว่าใครไม่เป็นอย่างนี้บ้างยกมือไม่เห็นมีตกสักคนเห็นไหมว่าธรรมะพรเจ้าท่านสอนไว้นี่มันชัดไหมโอ้โหมันชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะงั้นในรายละเอียดต่อจากนี้ไปก็ถ้าเมื่อคุณสติปัฏฐานเป็นตามหลักของโพชฌงเจ็ด โดยทำให้สตินี่มันบริบูรณ์สติมันจะบริบูรณ์ได้คณก็จะต้องรู้ว่าการทำสติเป็นอย่างนี้สติสัพพัญญาทำอย่างนี้แล้วก็มันจะก่อต่อไปเป็นสัพพชาณสัพพะปาเทติเรื่องสัมปัชลสัชติสัมพัมพเมพมพ ช, พะชะเลธติอะไรขึ้นไปก็จนเกิดกำลังของปัญญากำลังฌานเผากิเลสได้มันก็จะไล่ไปจริงๆร เพราะฉะนั้นการทำสติปัฏฐานนี่แหละหรือมรรคองคแปดมีสัมมาสติคุณก็สังวรสํารวมทุกเวลาเลยตั้งแต่คุณจะทำงานอาชีพคุณจะทำกรรมมันตะคุณจะทำวาจาคุณก็จัดการกับสัมมารกรรมมันตะจัดการกับสังกปะเจก็จัดการกิเลสไปเรื่อยๆๆๆสุจริตมันก็ลดลง อขออภัยทุจริตมันก็ร้องทุจริตมันก็เกิดขึ้นก็เกิดจากสติปัฏฐานกับโพชงถ้าไม่ปฏิบัติไม่สมาทิทิอวิชชาตัวเป็นเจ้าเรือนแล้วแล้วก็ต้นตระกูลต้นตระกูลชาติชั่ว ต้นตระกูลชาติชั่วก็สร้างนิวรนาไปตาพฤชทุจริตตาพตืชไม่ได้สํารวมอินซีหรอกมีแต่ให้อินซีของมันบา่บาบอทําหน้ากเกลียดหน้าชังยังไงก็ไม่เคยรอกมาระวังเลยตาหูจบูกริ้นกายพฤติกรรมบา่บาบอยงไงไม่รู้เรื่องสติสัพชัญญา ก, ก, กายเป็นลูกน้องของกิเลสไปเต็มที่ เพางานการจัดการโยนิโสมนสสการก็อโยนิโสมไม่ได้เคยรู้เรื่องเลยว่าจะทำใจในใจยังไงไม่รู้จักกระบวนการของจิตใจที่จะทำอะไรได้นั่นเพราะงั้นก็ไม่มีทางที่จะบรรลุอะไรกับเา้านี่คืออาหารในอวิชชาสูตที่ชัดเจนมากเลย ชัดเจนและต้องใช้เพราะนันปฏิบัติไปเธอคุณจะเข้าใจสูตรเหล่านี้เดี๋ยวนี้ไม่พูดกันเลยเดี๋ยวนี้ในวงการาศาสนาก็ไม่เคยพูดกันซึ่งเป็นสูตรที่ชัดเจนไล่ลำดับมาเป็นโอ้โหเป็นบทบาทที่เอามาเช็คเอามาตรวจสอบที่เราจะปฏิบัติได้อย่างดีเลยว่าไปแล้วเกือบหมดสองทุ่มลนะ <c oughs> เหือดูนาฬิกาเฮ้ อุตส่าควักนาฬิกามาเดือนนู้นก็มีเดือนนี้ก็ดูแต่ก็ไม่ดูเองมันเพลินบรรยายแล้วมันอร่อยแล้วคุณฟังอร่อยบ้างไหมเออเขา้าวทาอย่างนั้นก็ไม่เท่าไหร่มามีการต่อว่ า, ากันว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้ถามให้พูดให้สรุปให้แสดงอะไรเลยนะเนี่ยบรรยายไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงทุกทีเลยนะ โดนต่อว่านะเอาละวันนี้ไล่อาหารมาแถมอาหารที่คุณพิมเพชรุงต้องการก็อธิบายไปสู่ฟังแล้วอาหารสี่นี่ก็เป็นอาหารที่สำคัญมากถ้าอาหารอันที่อธิบายเป็นนี้ได้สุขภาพจิตของคุณเยี่ยมสุขภาพจิตของคุณจะเยี่ยมเมื่อสุขภาพจิตเยี่ยมสุขภาพกายเยี่ยมด้วย เพราะมันได้เลยถ้าสุขภาพจิตเยี่ยมเป็นอาริยะอย่างนี้สุขภาพกายเยี่ยมแน่อัตมาถึงบอกว่าพวกเราที่จะอายุยืนสุขภาพกายมันอายุยืนไงถ้าปฏิบัติจริงๆตั้งใจภาคเพียรอายุจะยืน อ, อย่างน้อยก็ดูคุณเทียนพุทธเนี่ยแหละเป็นมะเร็งขั้นสี่มาแล้วกี่ปีละ ฮะฮะสิบสี่ปีแล้วน่ะเป็นมะเร็งขั้นสี่มาตั้งแต่ตอนโน้นมาแล้วก็รอจะรอเอาเถิดก็ไอ้กิเลนนี่ผัดเพี้ยนมันมาได้จนปานนี้แล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมไปเถอะน่ะยังปานีคุณปานีที่มึงเหนือเชียงใหม่อ่ะ ก็เป็นมะเร็งที่ปอดอหมอก็บอกว่าหกเดือนตายแน่ไม่ใช่มุ่งมาจนนะตายมะเร็งนะตายหกเดือนหมอก็บอกมาก็เป็นโชคดีของคุณปราณีมาเจอพวกเราแล้วก็พากัน รักษาไปแบบพวกเร า, ากินอาหารธรรมชาติแต่แกมั่นใจว่าแกกินเยี่ยวนะแกบอกว่าแกหายเพราะเยี่ยวประนีเนี่ยโยมประนีแกก็อาตมาปีหนึ่งเป็นตั้งแต่อายุห0สเป็นตั้งแต่อายุ60เดี๋ยวนี้ก็ห0สิบ เอโอ๊ยเดี๋ยวนี้ก็8ป82อปบสองอัตมา8ปบออย่างเก็8ปดสบสองะอยู่มายี่สิปีแล้วไปให้หมอเขาตรวจหมอเขาบอกไม่รู้มันก้อนหายไปไห น, นแต่เอาเธออายุแปปีอย่างว่าขันเนาะมันก็แล้วแต่คนมันก็ ตามภาษาของคุณประณีก็ตามวิบากได้วิบากเั้นมาอาตมาว่า80สิอาตมาก็ยังขันมันยังดีหน่อย <_ d ose> ก็เลยยังไม่มีมีท่ายังมีมีท่าของคนแก่มากนักอายุจะยืนเพราะสุขภาพจิตเราเป็นเป็นหลักสุขภาพจิตของโยมประณีดี ดีมากไม่โกรธไม่อะไรเลยข้อสำคัญไม่โกรธแล้วก็ธรรมชาติกินอาหารก็ธรรมชาติกินเยอะไล่ตายกินอาหารทํางานสบายมีแรงงาก็เดินไม่เกี่ยวไม่ไปเบียดเบียนใครคือเป็นลักษณะการปฏิบัติธรรมที่เข้าหลักของพระเจ้านั้นเลยมันคนมาถามรักษายัางไงโอ้โหรักษาด้วยสูตรยาพระพุทธเจ้า พุทธโอสถเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงได้ทีเดียวยอดเยี่ยมเนี่ยพวกเรานี่ปฏิบัติธรรมให้มันสมาธิแล้วแน่นอนอายุยืนเพราะจิตสุขภาพจิตมันเป็นมโนปุพังไงจิตมาก่อนจิตแม้แต่หมอทางสากลทำหมอทางไอ้ น, นี่เขาเนี่ยการรักษาโรคของเขาก็บอกว่าถ้าจิตดีแล้ว 60% ซหาย เพราะว่าโรคเนี่ยมันอาศัยจิตห0สซกายในแค่ 40% ่ซหมอเขาก็รับรองหมอเขาก็ว่างั้นนายแพทย์ทางสากล น, นี่ก็ถึงเพราะที่อาตมาบอก ว, ว่าพวกเราจะอายุยืนไม่ได้พูดเล่นหรอกพอเราสร้างสุขภาพจิตมันมาก่อนดีสุขภาพกายก็ดีเลย และมันอายุยืนประเภทที่แข็งแรงด้วยนะไม่ใช่อายุยืนประเภทมาอายุยืนทําไมยืนน่ะก็มีเงินน่ะจ้างเครื่องไม่หมดเลยเนี่ยใส่ใสายใส่อะไรนอนอยู่กับเตียงมาสิบปีแล้วอ่ะอายุยืนด้วยจันชายังป่าเขาไปทั้งเจปีอยู่กันตรงนั้นอ่ะจันชาใส่เครื่องใส่ไว้อยู่เงินเจปีอะไรเงี้ย ไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อายุยืนอย่างนั้นอายุยืนที่ดีที่สุขภาพมีดีนอกจากวิบากมันมีวิบากใครวิบากมันก็เป็นบ้างนะมันก็อาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่นานนักเพราะวิบากอ น, นี้อาตมาตอบไม่ได้อาจินใจพงิกรรมวิบากนะอาพูดไปก็ยิ่งหมดเวลาตกลงเหลืออีก20สินาทีกว่าเอาเอาเลยพอแล้ว พูดไปก็ได้เรื่อยๆพวกคุณก็ไม่ยอมทักไม่ยอมทวงมายกมือบอกถามถามไม่เอาเลยนัน่นก็ไม่ยอมทักก็บม่อมถา ม, ถามเอ้าใครจะพูดอะไรไมโครโฟนมาเลยยกมือแล้วก็ได้ไมโครโฟนก่อนใครเอาเลยใครเริ่มต้นโอ้ไม่มีอะไรล่องใจเลยไม่มีอะไรอยากจะแสะดงสรุปก็ได้อา้าโนนนะคุณดันเมก <c oughs> เอาอย่างดังทีไมโครโฟนก็แม่ <c oughs> โอ้ยของเต่าๆเว่ยมีแต่ของเต่าๆ เ, เอา้าป่าเลยเอา้าเดี๋ยวมันยังไม่จะมีอะไรมันยังไม่ติดเครื่องอาตมาขอพูดตรงนี้หน่อยหนึ่งว่ามีคนแสดงความเห็นมาว่า น้ำรับธรรมชาติที่เคยกินเคยใช้ในกลิ่นรสมันเปลี่ยนไปมากมีกลิ่นคิ้วๆว่างั้นมีกลิ่นคิ้วๆเหมือนน้าบาดาลดื่มไม่สดชื่นเหมือนเดิมอ่ะยิ่งเอาไปต้มเดือดๆแล้วนี่กลิ่นยิ่งแรงว่างั้นอ่ะเหมือนมีสารอะไรบางอย่างคิ้วๆไม่น่าดื่มกินเหมือนก่อน าฝากเรียนถามเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยว่ามันเป็นยังไงเอนนานนานเป็นเดือนมาแล้วว่าไม่เหมือนเดิมอตอนนี้มันคุยไม่ได้แล้วว่าน้าบาราดอร่อยอขอของดีเดิมคืนมาได้ไหมว่างั้นขอของดีคืนถามพันูุชัยคนอื่นสิใครๆครมีมีความรู้สึกกันมันน้าตอนนี้ไหม อ้าวมีเพราะงั้นมีคนมีคนคานรับว่ามันมนีนอกจากคนที่เขารู้สึกเขาแสดงมาเนี่ยเพราง ก, ก็ลองลอ ง, ลองดู<ป>ตรวจสอบตรวจสอบดูซิว่าเป็นยังไงน้ำน ะ, ะไรนะไม่รู้บางบ้านหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไปทั่วไปไม่รู้ไม่ได้สังเกตกันก็ไม่ไม่รู้หออ้าวลองดูลองดูตรวจ ด, ดูมันอะไรบกพร่องกัดูอ้า น้ำเราเนี่เป็นน้ำโอ้โหน้ำซับมาจากบอ่อซึ่งทางด้านขออนุญาตครับพ่อเอาเลยเออโดยเฉพาะน้ำตรงรงครัวจะมีกลิ่นไม่เหมือนก่อนแต่ที่ร้านเบิรงฟ้าก็ยังดีอยู่ครับดีอยู่เหรอครับที่ร้านเบิร์นฟ้าผมรับปงดีท่อแล้วล่ะท่อแ ล, ะละ้ว ล, ะละ่ล ะ, ละฮะสีตรงสีก็เป็นท่อแ ล, ะละ้วล่ะอ่าท่อแ ล, ะละ้วล่ะ เอเอไปตายเข้าไปได้ไงท่อมันหนูเข้าไปได้ท่อได้ไงนะทูมันเข้าไปไม่ได้ท่อมันไปไ ป, ไปไปมีรูให้หนูเข้าไปได้น้ํามันก็หมดสิอ่าในช่องทางให้หนูเข้าไปได้น้ํามันจะไปเหลือเลย <c oughs> หนูมันเข้าไม่ได้หรอกท่อมันเข้าไม่ได้น้ามันก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยน่ะเป็นวกจุลินทรีย์พวกอะไรพวกเนี้เพราะอากาศดาวเยน็นค่ะ เ ด, ดิฉันเข้าใจว่าอันนี้ต้องให้คุณกล้าทนมาที่บายนะคะแต่ที่นเนี่ยคือน่าจะเป็นเพราะน้ํามันลึกลงไปนะค ะ, ะแล้วก็มีการเจาะเจาะช่วยนะค ะ, อะตอนนี้<อ>เราใช้บ่อนอกจากบ่อที่เคยใช้แล้วที่เราเคยขุดสองสามบ่อ น, นั้นสองบ่อเราใช้มาเก่าแล้วที่นี้เราก็เลยเจาะมันเจาะ บ, บาดานเนี่ย เมื่อน้ำประดานแต่เจาะเข้าไปสู่บ่อน้ํำซับนี่เหมือนกันโดยใช้ท่อหกนิ้วเจาะเข้าไปแล้วก็ดูดด้วยเครื่องซับเมื่ดูดขึ้นมาใช้แต่มันมันก็ที่บริเวณเดียวกันนั่นแหละบ่อเดียวกันนั่นแหละที่จริงมันไม่ได้เป็นที่น้ำต้นต้นทางหรอกมันเป็นที่ท่อน้ําแน่นอนเท่าที่อาตมาใช้วิจารณญาณของอาตมา ความเข้าใจดูอ่ะมันเป็นที่ท่อน้นาเพราะยันแก้ไขดูซิมาที่ท่อน้นามันไม่เป็นที่อะไรหรอกจะเป็นท่อท่อที่มาทำอ่าบาดาล น, นี่หรือเปล่าหรือว่าท่อตอนนี้เขาใช้ทั่สองอันแล้วดูมันจะหยุดแล้วด้วยไอ้ท่อ น, น้ำไอ้น้ำจากบ่อไปเอาน้ำที่ดูดแล้วหรือยังไงเนี่ยก็ไปได้ถามกราทนดู อ่าดูรสชาติเมือนน้าบาดาลอ๋อมันมันจะยังไงน้ารสชาตินบาดาลจะเป็นยังไงตอปลาเอ่อปอยอ่าก็ไปเอ่ออ่อไปสังเกตดูก็ให้เคยให้เอาไปตรวจเอ้ากล้าทนครับขอโอกาสนะครับไนทาทุกท่านนะครับเอาคนดูดูแลนะก็บ้าเรามันเป็นเป็นเมืองน้ําท่วมนะครับน้ํำซับที่ส่งมาจาก บ้านทำกลางเนี่ยปกติถ้าไม่ใช่ฤดูน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีถังเก็บน้ำใต้ดินเนี่ยประมาณร0 0ยยคิวแล้วก็สูบขึ้นไปอยู่บนหอน้ำเนี่ยสองเมตรเนี่ยประมาณ40คิวโดยปกติเนี่ยน้ำเนี่ยมันหน้าถ้าน้ำท่วมเนี่ยคือตั้งแต่มีระบบเจาะน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยผมผมส่งตรงมาเลย ไม่ได้เอาไปสต๊อกไว้ที่ใต้ดิน oh. เพราะว่าถังใต้ดินเนี่ยน้ำมันท่วมน้ำเนีซึมเข้าและที่ผ่านมามันได้รับการกระทบกระเทือนจากการถมที่อะไรด้ว ย, อ, ยอร่อยเลยนั่นแหละน้ำมันจะซึมเข้าไปถังใต้ดินได้น้ำ อ, อ, อะไรอื่นซึมเข้าไปกับอะไรน้ำที่ตรงมาเลยสะอาดสอาดกับไม่อะไนี้ผมก็ยิงยิงตรงมาเลยยิงตรงก็เอมันก็ผ่านเอาสิเอาสิช่วงน้าท่วมเนี่ยเออเอาสิทีนี้ มันมันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าน้ำมันมันได้หมักเข้าใจไหมครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกินมันเลยอ่าหมักถ้าเราถ้าเราลงเอาถังใต้ดินลงไปอ่ะมันจะหมักระดับหนึ่งนะมันจะเซ็ตตัวได้ระดับหนึ่งน้ํามันอ่ะมันจะไม่สดผมชิมอยู่ที่บ้านน้ํำซับน่ะรสชาติมันจะต่างกันมันจะมีรสฝาดนิดมันจะไม่หวานเหมือนที่บ้านราดกินที่จุดน้ําเดิอมทุกจุดอ่ะผมรับรองได้เอาไหมผมว่าผ่าน เครื่องกรองน้ําทุกจุดน่ะถ้ากินสดๆเนี่ยมันมันไม่ได้มันปลาอ่มันามันจะฝาดฝาดหน่อยแต่ถ้าผ่านเครื่องกรองหรือหมักแค่หมักหน่อยอ่ะใส่โอ่งไว้อะไรเนี่ยมันก็ปกติอ๋อเหมือนผลไม้เนาะครับผมให้มันลืมต้นหน่อยแล้วจะหวานแต่ว่าตอนน้ําท่วมเนี่ยเมืนผลไมา้น้ําท่วมเนี่ยน้าพ่อน้ํามันจะมิดน้ํามันจะท่วมมิดอยู่เนย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ช่วงที่เราเปิด <c oughs> เปิดก๊อกน้ำหรืออะไรแล้วแต่เนี่ย ถ้ามีรอยรั่วรอยซึมนิดเดียวนะี่ยมันจะมีแรงดูดน้ําน้ําที่ท่วมเนะี่ยเข้าไปผส ม, มได้ตรงเนี้ช่วงช่วงจังหวะที่น้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมั น, มนผมว่ามันเล็ดรอดเข้าไปได้โอ้แล้วตอนเนี้ยผมเติมใช้ระบบปกติแล้วคือเติมจุลินทรีย์หน่อยครับตอนเนี้ผมใช้ระบบปกติแล้วก็คือว่าเอาไปหมักแล้วแต่ว่าช่วงที่หมักเนี่ยช่วงที่ไม่ได้ใช้ถังหอน้ําข้างบนเนี่ยมันได้ใช้นานามันก็เกิดตะกรนเกิดตะกรันขึ้น เกิดอะไรขึ้นมาอาจจะมีการล้างไปท่อยิ่งลงสีนะี่มันอยู่ไกลมันก็ไล่ตะกอนอันยังไม่หมดตอนเนี้เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็แต่เชื่อว่าที่ที่เจาะที่ที่บ้านลาดที่ต้นสายนะครับผมก็พยายามดูแลพยายามดูอยู่ว่าเออมันก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกติเพราะว่าเรามาพอมาถึงหมู่บ้านเราเนี่ยกวามมันจะผ่านด่านมาตั้งหลายด่านนะ ท่อเมนส่งน้ําบางทีจุดรั่วจุดซึมมันก็เคยมีจุดรอยต่อกั้งหลายครั้งถ้าน้ํามิดท่อเนี่ยนับเปิดเนี่ยมันเราผมก็ไม่รนะ้อยเอร์เซ็ตนะทางที่ดีควรจะหมักหรือผ่านเครื่องกรองเนี่ยผมมั่นใจครับถ้าถ้าทำอย่างที่ว่านี่ครับอก็ได้รู้ความรู้จากผู้ที่เขาดูแลตรงๆเลยนะนะก็มันก็กลายเป็นว่าถ้าเรามาผสมยูรินซีหน่อยเนี่มันอร่อยดี ถ้ามันเอาสดๆเลยเนี่ยมันจะกลับเป็นเหมือนกับผลไม้เอามาจากต้นพรุบเลยเนี่ยโอ้มันไม่รสชาติมันมันยังไม่เต็มที่อ่ะยังไม่หวานยังไม่กลมกล่อมต้องให้มันลืมต้นหน่อยแล้วมันจะกลมกล่อมว่า ค, คลายกันอ่าเอาละได้ความรู้เพิ่มเติมน้าใครได้มากระฟอนด้านเมฆกลับขออภัยครับ ค, บ ค, บคือจะสอบถามเรื่องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับ เ, <อ>เพราะว่าของผมเนี่ย ศีห้าใช่ไหมครับก็พอจะกระเถิบไปศีลแปดปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ไม่ลงตัวเหตมันก็จะหาเรื่องนะครับป่วยมั่งอะไรมั่งคือหาสาเหตุไม่เจอจะป่วยอยู่เรื่อยพูดง่ายๆว่าทีนี้พอพอเราพอเราทําเปดพีคือเอื้อมันบั่งเนี่ยมันก็ก็ดีขึ้นหายป่วยปกติดีทีนี้คําถามก็คือถ้าเรา ถ้าเราขึ้นไปแล้วไปโซ่โู่ตรงที่เหนือกว่าเราอะเกินฐานพูด ง, ง่ายๆแล้วโู้กันจนจนตายอย่างนั้นะกลับถอยลงมาอยู่ที่ฐานที่แท้จริงของตัวเองแล้วค่อยไต่ขึ้นไปอสอบถามว่าคําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือเปล่าดีๆ <laughs> ดีทำอันนี้ก็ดีประเด็นนี้คงมีหลายคนเจออพวกเราแม่มาบวชเป็นพระแล้วมาเป็นสมณะแล้ว อาการป่วยอาการอะไรเป็นอยู่ตลอดสึกออกไปปับ๊บหายเลยหายเลยไม่ได้ไปรักษาอะไรนะสึกออกไปหายโรคอย่างนี้ท่านเรียกว่าไซคิสโรคทาง ท, ทางโนนะเขาเรียกไซคัสโรคจิตนะต่โรคทางจิตมันไม่ใช่โรคของทางกายเป็นโรคทางจิต สรุปแล้วจริงๆก็คือโรคของทางอุปทานจุดมั่นถือมั่นยึดติดแล้วมันก็เป็นลักษณะต่อรองมันต่อรองพอได้อาหารมันก็หายอาหารจิเลสนะให้มันหน่อยหายไม่ให้มันมันก็ต่อรองมันเป็นโรคอุปทานจริงๆเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้เลยว่าจิตเรานี่นะมันมีอัตราตัวต่อรองนี่ รายกราบให้รู้ซะให้รู้ซะว่าเราทําแล้วนี่ประมาณนี้นี่มันไม่ได้ถ้ามันเกินจริงจริงก็อย่างที่คุณพูดเองเอา้าวมันจริงจริงก็อยู่ทางนี้ก่อนก็เถกเอาไปอันอื่น อ, อันอื่นเป็นรถอันอื่นเป็นละอันอื่นนะรูปรสกินเสียงสัมผัสมันมีให้ละตั้งเยอะตั้งแยะพฤติกรรมอย่างน่นอย่างนี้เรื่องของการปรุงแต่งของโลกเรื่องการไปยึดไปถือในเรื่อง ปักยศสเสริญมันมีตั้งเยอะตั้งแยะเราก็เรียนรู้ไปลดไปเท่าที่เอาเราเรับรู้ว่าเรามีกิเลสตัวนี้แล้วเราก็ทําของเราไปไอ้กิเลสตัวนี้เราเห็นว่าเราไม่มีเราสบายมากตัวนี้เราไม่คนอื่นกติก็ติดไปเราไม่มีก็ไม่ต้องไปปฏิบัติมันตัวนั้นตัวไหนที่เราเองเรามีจริงๆรินะเราต้องรู้เราก็ปฏิบัตินะเพราะว่าทำ ที่ตัวไหนที่เรายังทําไม่ได้เราก็เอาไว้ก่อนตัวไหนที่เราทําได้ก็ทําไปอย่าไปยอมมันจนกระทั่งมาแล้วก็บนเวียนซ้ําๆอยู่อย่างที่คุณบอกก็จะตกลงก็เลยคนมัต้องเลือกขั้นพอดีเลยนะมันก็ไม่เดินสมควรแก่ทำก็คือเมื่ออันนี้มันยังไม่ได้พักไว้แล้วหาประเด็นอื่นกิเลสในมุมอื่นเรื่องอื่นเราก็ตั้งขึ้นมาอันนี้แหละเราฝืนเหมือนกัน กิเลสเราก็ฝืนเหมือนกันเราก็ต้องตั้งใจศึกษาฝึกฝนกิเลสคือตัวที่มันต้องฝืนอ่ะมันต้องฝืนไม่ใช่ไปตามใจมันมันต้องฝืนมันต้องจำบเบอรความอยากด้วยนะกิเลสเพราะฉันมันจะอยากอะไรละ่ะในเรื่องรูปรกินสุพันในเรื่องลาภเยชน์ต่างๆนานาคุณก็ว่าไป <c oughs> เอาใครอีก เอายกมือแล้วมายกไว้ก่อนโมมัน oh, ก็โฟนก่าจะเดินทางมางั่นเอ า, าเลย ก, การขอการค่ะเอาเอาคอนนี้ได้ก่อนเอาไปให้ต่อเอาเลยอคืออาหารสี่เนี่ยกาบลิงกาลาหาันผาสาะหานนี่คะ่ะเกี่ยวพันกับวันนาเก้าที่แบบเลี้ยงง่ายบำรุ ง, งง่ายเป็นสัมพันธ์กันอย่างไรคะ่ะธรรมะทุกข้อสัมพันธ์กันหมด อ้าวฟังดูอาหารสี่นี่เป็นรากฐานของการปฏิบัติที่อธิบายไปแล้วหนึ่งเราต้องรู้นามรูปเมื่ออ่านนามรูปเป็นรู้จากจิตรู้จักวิญญาณรู้จักธาตรู้แล้วก็จับธาตรู้ตัวเหตุที่เป็นอกุศลจิตได้แล้วก็กําจัดตัวนี้และเวลาปฏิบัติก็จะต้องมีผัสสะแล้วก็ตามตัวที่มันมีตัวเจตนาหรือตัณหานี่ให้ได้ มันเป็นตัวเหตุเป็นสมุทยัยแล้วเมื่อเวลาคุณปฏิบัติแล้วลดกิเลสได้ไปตามลำดับมันก็จะไล่ไปตามวันนากา้าอ่ะนะในคุณสมบัติมันจะเกิดเช่นว่าคุณละกิเลสตัวนี้เดืกอาหารเนี่ยคุณหยุดแล้วคุณติดก๋วยเตี๋ยวคุณก็ละจนกระทั่ง เออก๋วยเตี๋ยวเป็นธรรมดากินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่ติดละคุณก็เป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วไม่มีก๋วยเตี๋ยวคุณก็สบายมีก๋วยเตี๋ยวคุณก็สบายแล้วเลี้ยงง่ายแล้วบารุงง่ายแล้วบารุงง่ายก็คือพัฒนาตนเพิ่มขึ้นได้ดีได้เร็วได้ดีนะเลี้ยงง่ายก็คือไม่เรื่องมากไม่ติดอันนั้นไม่ยึดอันนี้กินก็อยากนอนก็อยากไปก็อยากมาก็อยากอะไรก็อยาก เ, เรียนยากผูกเรียนยากกิเลสมันต่อรองนี่ไม่มีละกิเลสมันก็ไม่ต่อรองมันก็เลี้ยน ง, ง่ายสุภะสุโพสะคุณก็พัฒนาขึ้นง่ายก็เริ่มจากนี่ก็ทําต่ออันอื่นอีกทําขึ้นไปอีกเมื่อทําขึ้นไปคุณก็จะเป็นคนที่ไอ้แต่ก่อนมากมากแต่ก่อนจะต้องเอาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้องรถอย่างนี้รูปอะไรนั่นโดนตรงนั้นเยนังนี้อันนี้ก็สงงอย่างนี้แต่คุณได้รดไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆคุณก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงๆๆเร็วอภิชฌา น้อยลงมากน้อยลงน้อยลงเมื่อน้อยลงแล้วขีดความจบคือสันโดษพอสันตุฐิมันพอเท่านี้ก็พอมีอะไรก็พอนะขอให้มันรู้มีปัญญารู้ว่าอันนี้ควรไม่ควรก็ไม่เอาไม่ควรก็ไม่รับใส่ตัวควรก็รับมาอาหารเป็นต้นเครื่องใช้เป็นต้นปัจจัยส่วนสำคัญเป็นต้น คุณก็รับมานะสมตามสมควรที่พอเหมาะพอควรนะแต่ก็ยังยืนยันว่าเราไม่ต้องไปสะสมเราไม่ต้องไปมากๆมันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ถ, ถึงขั้นไม่สะสมมันก็อีกตัวหนึ่งมันเกือบตัวจะจบแล้วอปัจจยะตัวสะสมเนี่ยมันก็จะมักน้อยลงจะจนลงได้กล้าจนไปเรื่อยๆแล้วก็พอพอเรื่อยๆเมื่อทําได้เป็นลําดับลําดับคุณก็จะรู้จักสันเลขาทูตะ อปัจจะะสัตเล ข, ขาคือขัดเราคุณก็จะรู้อ๋อเราได้ขัดเกากิเลสอย่างนี้แล้วเราก็เจริญขึ้นมาด้วยหลักเกณฑ์หรือศีลหรือว่ามันเหมือนคนเคร่งเหมือนคนเคร่งเพราะว่าเราเองเรามากน้อยเอาศีลมาจับเอาเรื่องราวที่อะไรอะไรมาจับมาวัดมันก็เมือนเราเป็นศีลเคร่งกินน้อยใช้น้อยนะ แต่ก่อนนี่กินมากใช้มากเปลืองมากไอน้นี่นี่เดี๋ยวนี้น้อยมันก็อดได้ทนได้โดยไม่ต้องอดไม่ต้องทนเลยว่าทูตะหรือองค์แห่งความแทงศีลเคร่งนี่แหละทูตะองค์กับศีลเคร่งศีลมันข้อที่มันยากขึ้นยากขึ้นก็สบายมันกินมื้อเดียวก็ได้กินง่ายๆกินอาหารธรรมชาติก็ได้อะไรอะไรก็ได้ จะใช้จะสอยอะไรก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรมากมายเพราะมันได้สั้นเละค่ะแล้วมันก็ซีนเทร่งขึ้นมาแล้วคุณก็มีอาการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นที่น่าเลื่อมใสไม่เบียดเบียนมักหร อ, กอยเป็นผู้ที่เลียงง่ายเป็นผู้ที่ทุกอย่างจะเป็นพฤติกรรมอาการที่น่าเลื่อมใสภาษาธิโกภาษาธิกะมันก็ โอ้เป็นคนที่น่านับถือน่าเรื่มใสมีพฤติกรรมสมณะสารูปเจริญสูงขึ้นไปอีกอปจยะไม่สะสมเห็นนะเป็นคนไม่สะสมพราะคนยังสะสมไม่น่นในนี่อะไรในนี่อ่งางในโน่น่างานี่ตะพื้ตะพื้จจำเป็นต้องโน่นตร ง, งนี่อะไรก็ไม่สะสมโดยเฉพาะทั้งวัตถุก็เห็นชัดๆเร่ม รู้วันเฟือมันเกินก็ต้องเคพัดออกไปยิ่งมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เอาแบ่งไปกินไปไปใช้ไปอะไรไปเอามากองไว้ทำไมเสียของเสียเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ต้นอปัจจะไม่สะสมวิริยารัมพะตัวสุดท้ายตัวที่เก้าของวันนักก้าเหนคนขยันมันเพียนปลารบความเพียนขยันอยู่เสมอ ปาลารบความเพียรไปปรารบความขยนันคือแสดงตัวเองปาลารบตนน่ะขยันอยู่เสมอมันเออเราทําอะไรอยู่บัดนี้เวลาล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่อะไรที่ดีกว่านี้ยังมีอีกที่เราจะต้องทํากายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกแล้วก็ทําสิ่งที่จะทํากายกรรมวจีกรรมอะไรแทนที่จะอยู่เฉยๆลอยชายลอยอะไรหรือว่าอยู่กับตัวเองมุ่นไม่ดูอะไรใด้ใครเลย เราก็จะรู้ว่าเออเราอยู่ควรเป็นประโยชน์ควรสร้างสารรค์ควรจะต้องสัมพันธ์ร่วมสิ่งที่พวกเราก็ทำอะไรก็ควรอยู่แล้วสมาร์ชีพสมาร์คกรมตักกันอยู่ทั้งนั้นเราไม่ได้มาทำมิจฉาอะไรก็คนละไม้คนละมือทุกอย่างก็เจริญหมดเลยทั้งศีลทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมศาสตร์ในที่สุดการเมืองอะไรพวกนี้ตน้นวรรณกาก็า เ, าเจริญด้วยประกาศชนีเพราะเราปฏิบัติถูกต้อง ลดกิเลสถูกต้องตามอาหารสี่แม้จะขยายอาหารจากอาวิชาสูตรเข้าไปอีกก็ยิ่งครบเลยค่ะปฏิบัติอาหารก็ได้วันณน้เก้า 9. ปฏิบัติวันณน้เก้า 9. ก็ได้ใช่าาใช่มันเป็นหลักสูตรวัดไงอย่างวันหน้าเก้าเป็นหลักสูตรวัดน่ะหลักสูตรวัดชี้บอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วมันจะเป็นคนเร่งง่ายจะมีคุณลักษณะอย่างนี้จะเป็นคุณธรรมแบบนี้ เป็นคนบํารุงง่ายเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนสันโดษอ่าเป็นคนสันเลขาเป็นคนที่มีศีลเคร่งได้โดยไม่เคร่งคนที่ได้แล้วมันไม่แคร่งสีนเค่งในคนอื่นเห็นโอ้อะไรวะกินมือเดียวทรมานตนเองทําไมวะอะไรเนี่ยแล้ไม่เห็นมันเคร่งแคลงอะไรเลยกินมือเดียวสบายสบายเพราะงั้นอะไรที่ทําได้แล้วทูตะมันมีสินเค่งไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองเฮ้ยทําไมไมันทรมานตนทําไม เงินก็หาได้ขยันหมันเพียรก็มีอยู่สร้างสรรก็ได้แล้วทำไมจะเรามาอดมาอยากทำไมอะไรนี้ไม่ไดอดอนิยามันเป็ น, ปนธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นปกตินะเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นแม่ที่สุดเราไม่สะสมถ้าสบายสบายไม่สะสมก็สบายเป็นธรรมดาธรรมชาติสบายสบายไม่ไปฟื้นเฟินอะไรขอพระคุณค่ะอขอขอกาสค่า ดินเย็นชาวหินฟ้าค่ะอ้าวใครยานะยกะมือแล้วเดี๋ยวไมโครโฟนเดินไปหาพูดถึงเรื่องอาหารน ะ, ะอาหารที่เรากินมาเป็นขั้นเป็นตอนที่แรกเราก็ติดเนื้อสัตว์มานะคะพอเราติดมาเรามาอยู่ช่วงแรกเราก็ต่อสู้พอต่อสู้ไปสักระยะหนึ่งเราก็เออจิตมันไม่ต้องต่อสู้มากอันนี้พอแม่ครัวมาทาอาหารพออาหารเราก็ไม่เรียกร้องอะไรมากเพราะว่า ทำยังไงเราก็กินอย่างนั้นแหละก็คือมันก็ยังติดรสอยู่ค่ะมันเราก็รู้สึกว่าเราติดรสอยู่พอเราก็ไม่ไปสรรหาหรอกแม่ครัวพวงพุงให้ยังไงก็กินอย่างนั้นก็มันก็เข้าใจว่าเออเหมือนคนเราเลี้ยงง่ายแต่มันไม่ใช่ค่ะเราก็ยังรู้ว่าเราติดแต่พอวันนี้นะคะเราไปกินแมคโครอยู่สองวันมันรู้สึกว่า โ, โหมันทําไมกิเลสมันเหงาเนะะี่ย <laughs> กิเลสมันเหงามันเหงา <c oughs> มันไม่สดชื่นเหมือนเราได้กินในส้มตานะฮะไม่นั่งกินโอ้โหกว่ามันจะหมดเคี้ยวกว่าจะ น, นี้กว่าจะหลับไปด้วยนะฮะมันรู้สึกว่าเออ <c oughs> เราก็ยังติดแต่ความที่รู้สึกว่าไอ้ตัวที่เราไม่มันเรารู้เราติดแต่เราก็ไม่ทุกข์มากนี่แหละเรารู้สึกว่าเราจะไม่ขนขวายอีก ตัวนี้มันก็มาว่าเออเราไม่ค่อยขวนขวายตัวนี้มันจะเสื่อมตัวนี้ก็คือว่าอยากจะถามพระท่านว่าเราจะทํายังไงคะตัวที่เราอ้าวเราก็ปฏิบัติยยไปจะไปทํำยังไงนะก็เรามันยังมีอยู่เราก็รู้ดีแล้วว่าเออเราไม่หลงผิดว่าเราไม่ติดนะดเราติดอยู่ก็รู้ว่าเราติดแล้วก็พยายามพัดพาเพียรปฏิบัติไปเรียนรู้ไปพิจารณาไปมันไม่เที่ยงมันไปยึดมันอยู่ทําไมมันพาเราเป็นภาระ แต่ที่จริงที่คุณพูดแล้วนะมันก็ดังได้มาพักมันระดับหนึ่งแล้วอ่าเขาทําให้มาให้ยังไงก็กินไปตามเรื่องตามราวตามประษาที่มันปรุงแต่งพอสมควรก็แสดงมาเราก็ไม่ถึงขั้นจะต้องไปจด ก, กิจการจะต้องเอารถนี้อย่างนี้อย่างนี้ขาดอย่างนั้นอย่าง น, งนี้ต้องเติมอย่างนเติมอย่างนี้อะไรมากมายจุกจิกจุกจิกก็เรียกว่าเราก็เลี้ยงง่ายขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอ่าไม่เป็นเลี้ยงยากจนเกินการในขั้นหนึ่ง มันก็เหลืออยู่อี ก, ม, ก ม, ม, มันลึกซึ้งขึ้นอีกโอ้ที่จริงเราก็ยังติดเนาะถ้าไปหนักกันนี่มันไม่มันเป็นขนาดไมไปแมทโคมไม่เอาติดขึ้นมาชักจะไม่ค่อยไหวแล้วอะไรเงี้ยคุณก็พัฒนาไปปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นก็พิจารณาไปนั่นแหละเห็นว่าปโอ้ท่าสรุปลดกินเสียงสัมผัสก็เพราะว่าจิตเราไปติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนีรงน้รู้ให้ได้เ อ, อไอ้นี่มันมีท่าทิดี อาหารที่เป็นธาตุที่กินเข้าไปเพื่อเลี้ยงขันอะไรอะไรก็ว่ากันไปก็พยายามพิจารณาอย่างนั้นเห้อย่างนั้นจริงๆเราก็จะค่อยๆเห็นเออค่อยๆจางค่อยๆ ค, คลายมันไม่ง่ายหรอกอาหารเนี่ยหนึ่งรสละอาหารรสละรสชาติรสรสละอะไรพวกนี้มันก็รสชาตินั่นแหละเป็นหลักแม่ลดได้แล้วนะจริงๆเราไม่ติดแล้วมบนอย่างที่คุณพูด เอออะไรมาเราก็กินได้กินไปกินมันจริงจริงมันก็ปรุงแต่งอยู่ตามธรรมชาตินะแต่แท้จริงแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่มีาปรุงแต่งขนาดนี้เลยอย่างที่ไปเจอแมคโครโอ้โหมันยังติดอยู่น่าเนี่ยมันยังมันยังไม่ไหวจริงๆถ้ารสชาติธรรมดา อ, า, าอย่างนู้นอย่างนี้หมุนเวียนไปผ่านไปผ่า น, านมามันก็มีบ้างพอสมควรเขากปรุงพอสมควรไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติส่วนเหมือนแมคโครเลยเนี่ย แสดงว่าเราเนี่จะต้องปรุงแต่งนะเราก็รู้ว่าเราติดนะก็พจิพจรารณาพจาิจารณาที่ว่าเนี่ยทีนี้ถ้าคุณแม้ว่าคุณเองคุณลดได้แล้วนะคุณลดได้แล้วลดได้แล้วที่นี้คุณก็มาเจออ้าลดได้แล้วแต่ที่นี้ก็มาเจอปรุงแต่งเออมันยังอร่อยอยู่แฮะแต่ถ้าไม่มี มันก็ไม่ได้อยากได้มันก็ไม่โหยหานะกินอะไรก็กินได้กินแมคคอก็กินได้แต่กลับมากินอีกทีนึงไอ้ไอ้ปรุงแต่งนี่โอ้อร่อยดีอยู่อ่าอร่อยดีอยู่นั่นคือหนึ่งมันยังมีเชื่ออยู่บ้างสองคุณไม่ติดแล้วละ่ะแต่ความจําความจําเออรสอย่างนี้มันคืออร่อย จำได้แล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าอืมนี่เรื่องอดีตมันเป็นอย่างงี้อ่ามันเป็นความจํานะมันยังติดความจําแล้วมันก็ยังซึมซับอยู่ในความจําบ้างเออก็ดีเหมือนกันเนาะนานๆเจอทีดีเหมือนกันเนาะระวังหนักๆเข้าซึมเอ่อบ่อยก็ดีนะ นานๆเจอทีรู้สึกมันจะไม่เคยดีเท่าบ่อยนะระวังมันจะกาวหน้ามันจะคืบหนาแต่ถ้าความจำเฉยๆนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสตรัสอนุนไอเรื่องล้างความจำเนี่ยล้างยากคาว่าล้างความจำไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่จำอะไรจำอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะแต่มันติดอยู่กับความจา มันยังมีอะไรซึมซับด้วยกับความจำนี่แหละความซ้อนที่ท่านท่นทนทนทนานาพะพุทธจ้าท่านตกระอัตพระอันนนเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละชายากก็กกค่อยๆศึกษาละเอียดลงไปถึงขั้นนี้กไ็ไม่มีปัญหาแล้วไม่เป็นภาระมากแล้วละ่ะถึงขั้นนี้แล้วเป็นภาระอะไรมากมายนี่ก็อธิบายสู่ฟัง อาอตมาทุกวันนี้นี่แคนทำอาหารอาตมากินนี่พอคุณมนักก็เก่านะทุกวันนี้โอ้โหปรุงแต่งมาประเภทที่เลยว่าคือไม่ได้ปรุงอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ต้มบางทีก็ต้มมาลวกก็ลวกม า, าทีก็สดมาอะไเฉบางทีก็เผามาวา ง, วา ง, วางมาธรรมดา แม่แม่จะมีไ อ, ไอเค็มไม่อะไรมั่งผสมมันมามัก่ก็ไม่รู้รสอะไรของคุณก็ไม่รู้นะอาตมาก็บอกเออแต่ละวันก็เปลี่ยนไปทุกวันรสอย่างนี้วันนี้นี่คือมันไม่มีสูตรนะอาตมาว่าคนปรุงนี่ไม่มีสูตรหรอกปรุงให้อาตมาชันนีนะ่วันนี้ได้อันนี้ใส่อันนี้มาอันนี้ดนะูแต่ว่าไม่ต้องรสจัดก็เลยปรุงอย่างไม่รสจัดมาไม่มีสูตรอ่า ก็ดไปไม่ได้ได้วที่พูดนี่ไม่ได้ไหมายความว่าต่อว่านะเล่าให้ฟังอัตมาก็กินของอัตมายังขันไว้ทุกวันอย่างที่เป็นทุกวันนั่ก็กินไม่ได้ลดเด่น้อยกว่าปกติอืดด้วยซบางทีโอ้โหเต็มกินเพิ่มเพิตายโอ้โหเต็มท้องเกิน อ, อาหาละโอ้โหสองทุ่มครึ่งวันนี้นะตกลงไม่ได้มีสมนุกสมณะอะไรแค่นี้แหละอ่ะหมดเวลา จะเริ่มทำทุกคน